ไม่ให้อยู่ห่างจากบ้านเกินกิโลหรือสองกิโลนี่เป็นต้นนั่นแหละเขาเรียกว่าป่าหรือว่าที่หลีกเล้นสำหรับนัก บ, บวชและในขณะเดียวกันก็ไม่ให้พระเนี่ยตัดขาดจากชาวบ้านนะก็คือต้องจาริกมาบินทบาทวันละครั้งก็คือยังต้องเชื่อมโยงกับชาวบ้านอยู่ทีนี้การบินทบาทเนี่ยโดยส่วนใหญ่เราก็มองว่าบินทบาทเพื่ออะไร ก็คือเป็นการเลี้ยงชีพนั่นแหละอาชีพของนักบวชการเลี้ยงชีพของนักบวชเนี่ยการแสวงหาหรือการเลี้ยงชีพเนี่ยในบรรดานักบวชเนี่ยที่เลี้ยงชีพนี่นะก็เรียกว่าอาชีวะมาเรียกว่าอาชีพภาษาไทยเรียกว่าอาชีพพวกเราก็ต้องมีอาชีพไหมก็มีอาชีพเหมือนกันเลยก็เรียกอาชีวะหรืออาชีพทีนี้บรรดาอาชีพเนี่ยหรือเรียกว่างานเนี่ยงานกับอาชีพนี่เอง ก็คือเครื่องเครื่องมือหาเลี้ยงชีพหรือว่าเหตุหรือเครื่องอุปกรณ์ในการที่จะไปหาเลี้ยงชีพเนี่ยพระเขาก็จะมีพวกบาทใช่ไหมในการเดินหาเลี้ยงชีพแต่การหาเลี้ยงชีพในการที่จะไปบินทบาทนั้นนั้นเป็นจุดหมายรองวัตถุประสงค์ของนักบวชในการที่ไปแสวงในการเลี้ยงชีพนั้นจุดหมายหลักของนักบวชก็คือการไปโปรดสัตว์ เขาเรียกว่าโปรดสัตว์ถ้าบอกโปรดสัตว์นี่แปลว่าอะไรแปลว่าพระท่านเดินจาริกไปเนี่ยเพื่อไปแสดงธรรมนั่นเป็นจุดหมายหลักการได้อาหารมาเลี้ยงอัตภาพและทําให้ชีวิตดํำเนินไปได้เนี่ยเป็นจุดหมายรองมองเห็นยังงัการโปรดสัตว์เนี่ยเขาบอกว่าพระไปอะไรบอกไปโปรดสัตว์คําว่าโปรดสัตว์นั้นมีสองกรณีนะหนึ่งก็คือไปแสดงธรรม พระในยุคก่อนเนี่ยเขาจะใช้ช่วงจังหวะในเวลาการแสดงการเดินบิณทบาท เ, เพื่อไปแสดงธรรมเขาไม่ได้รีบไปเป็นสายอย่างที่ทุกวันนี้เราทํากันทุกวันนี้ไปเนี่ยเป็นสายใครสายมันไปเลยใช่ไหมวัดนี้สายนี้ห้ามทับสายกันลํ <c oughs> าปานเรียบร้อยไปแล้วเอามาไปเดินบิณทบาตในกรุงเทพไม่ได้อาหารเวลาไปเดินบินทบาตแล้วในเวลาโยมเขา เขาไม่ใช่สายประจำเขาก็จะงหันหลังทห้ทำทีาำท่าไม่เห็นพระเอามาก็ค่อยๆเดินไปยืนอยู่ตรงใกล้ๆตรงนั้นเขาก็ไม่หันสัาทีเาก็แกล้งมองไปทางอื่นเลยอเอามาก็ยืนอยู่ตรงนั้นนะสักพักหนึ่งยมเขาก็บอกว่าไม่ได้ใส่ท่านหรอกรออีกองคหนึ่นงโยมว่า แล้วเรามาจะพูดไงต่อนี่จุดมุ่งหมายของการของการของการบินธบาต ท, ทุกวันนี้ยอมก็มองผิดไปหมดแล้วแต่ก่อนก็คือไปเพื่อโปรดสัตว์เป็นจุดหมายหลักมีอยู่คราวหนึ่งตอนนั้นเรามาไปพักที่วัดพระเชตุพลพอดีมีกุฏิที่ว่างๆเขาก็เลยให้พักได้ นี่มาก็เนียจะไปบินทบาตแถวไหนแถวนะั้นมันหาบินธบาตยากเลยมาก็มาเดินล่อไปวัดพระแก้ววัดพระศรีรัตนา ศ, าศาสดารามเดินวนก็มียอมอยู่คนก็ลงจากรถเขาถือของใหญ่ถือมะพร้าวลูกเบเอรฉันฉันจะเดินหลบแล้วหลบไม่ทัน <laughs> ฉันรู้ฉันอ่านอ่านความคิดยอมออก ยอมก็ไม่ได้ศรัทธาหรอกเขาหนัก <c oughs> ฉันหลบไม่ทันงานนั้นนโอ้ยฉันนึกว่างานนี้ยุ่งแล้วเราเจอมะพร้าวลูกไป เ, เลย <c oughs> ถ้าแค่มะพร้าวก็พอว่ายังตามไม่ได้ขวดน้ําใหญ่ๆขวด <c oughs> ฉนั้นแค่แค่เจอแค่สองแค่แค่มะพร้าวกับขวดน้ําก็จุกในแล้วแท <c oughs> ไปต่อไม่ได้แ <c> ล <oughs> ที่การการบินทบาไอการใส่บาทเนี่ยบางครั้งโดยส่วนใหญ่นะยรวมทั้งเก่ด้วยหนึ่งให้ด้วยศรัทธาใช่ไหมให้ด้วยศรัทธาคือเชื่อมั่นเรียกทานเาานี่ยเรียกศรัทธาทานังให้ด้วยศรัทธาเอาให้ด้วยศรัทธาแปลว่าอะไรศรัทธาในที่นั้นคือความเชื่อมั่นในคุณของพระรัตนตรยัย เชื่อว่านักบวชเนี่ยพระภิกษุเนี่ยท่านเป็นผู้ที่มีศีลมีกัลยาณธรรมใช่ไหมการที่เราจะเอาอาหารถวายให้กับนักบวชเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ควรเป็นเรื่องที่เหมาะบางทีมันคิดการคิดในการถวายทานเนี่ยมันคิดได้ตั้งหลายมิติทามาเคยบรรยายไว้หลายครั้งแล้วบางคนก็ให้ทานเพื่อหวังผลของทานก็มีใช่ไหม บางคนก็ให้ทานไม่ได้หวังผลของทานหรอกคิดว่าสิ่งนี้เป็นความดีเป็นสิ่งที่ควรทำก็มีบางคนก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นเราคิดบวกว่ า, วาท่านเนี่ยหากุงหาหุงกินเองไม่ได้แต่เราหุงกินเองได้การไม่ให้เนี่ยไม่ควรแก่เราก็มีจริงไหมบางท่านก็ให้ตามประเพณีที่ปู่ตายายายเขาทำมาการที่เราไม่ทำไม่ให้เนี่ยมันไม่ควรแก่เราอย่างนี้ก็มีใช่ไหมที่พูดมาทั้งหมดเหล่านี้ยอมคิดแบบนี้มีบ้างไหม เวลายอมให้ทานเนี่ยยอมหวังผลของทานจึงให้ไหมหวังหรือไม่หวังหวังใช่ไหมหรือว่าให้ว่าเพราะมันเป็นความดีเพราะมันเป็นบุญเป็นกุศลจึงให้คิดอย่างนี้ไหมหรือคิดบอกว่าอ๋อมันเป็นประเพณีที่ปู่ตายายายทํามาถ้าเราไม่ทําก็ไม่ควรแก่เราคิดอย่างนี้ไหมหรือคิดบอกว่าอ๋อท่านหุงหากินเองไม่ได้เราหุงหากินเองได้การไม่ให้กับท่านไม่ควรแกเราให้แบบนี้ไหมไม่ได้ให้แบบนี้ใช่ไหม แล้วให้แล้วมันแบบเอหรือให้แบบต้องการอยากจะสละเหมือนกับฤษีปรางก่อนที่ใช้คำว่าเราจะต้องการให้ให้ใหมากที่สุดนะให้เหมือนกับมหาฐานให้แบบสละขาดบางกลุ่มก็ให้เพราะว่ามันสบายใจให้แล้วมันสุขใจมันสมานัสนี้ เราเป็นคนให้แบบไหนสังเกตดูไหมว่าพวกเราจะให้ตามความรู้สึกให้ตามสัญชาตญาณเราไม่ได้ให้ด้วยการที่เป็นประดับจิตตกแต่งจิตปรุงแต่งจิตจริงๆนะการประดับจิตตกแต่งจิตปรุงแต่งจิตก็คือต้องการสลักไม่ใช่สลักข้างนอกอย่างเดียวอย่างเช่นมีวัตถุทานอย่างเงี้ยไม่ใช่ต้องการสลัวัตถุทานคือเป็นอาหารเป็นต้นเหล่านี้แต่ต้องการปรับปรุงจิตของตนเองเนี่ยจิตของตนเองมันมีความตะหนี่ว มีความห่วงมีความยึดติดยึดติดในสีบ้างในเสียงบ้างในกลิ่นบ้างในรสบ้างในโผลท่าบ้างมันมีความห่วงแหนฉะนั้นเราต้องการสละกไอ้ข้าศึกภายในใจเนี่ยต้องการสละความโลภความกโกรธและความมัวเมาลุ่มหลงทั้งหลายเหล่านี้ให้ทิ้งออกไปมันกระเลกเป็นการสละกทั้งข้างนอกและสลักข้างในเพื่อประดับจิตตกแต่งจิตปรุงแต่งจิตไปสู่ศีลไปสู่สมาธิไปสู่ปัญญาให้ได้เป็นต้นเหล่านี้ ใครที่เคยคิดขนาดนั้นไม่เวลาให้ทานขนาดนั้นเลยเลยโอ้น่าชื่นใจทําไมทํากันเป็นยังก็ไม่รู้งั้นการให้ด้วยศรัทธาเนี่ยก็คือมีความเชื่อมั่นเชื่อมั่นพระธานบา ร, รมีแล้วเชื่อมั่นว่าเราจะดําเป็นธานบา ร, รมีไปสู่ศีลไปสู่สมาธิไปสู่ปัญญาเป็นต้นเหล่านี้ก็ให้เราสละอันนี้เขาเรียกการให้ด้วยศรัทธานะให้อีกอย่างก็คือให้ด้วยความ ให้ด้วยความเคารพให้ด้วยความเคารพคําว่าให้ด้วยความเคารพนี่แปลว่าไงทำยงงอย่างไรแบบไหนก็เรียกเคารพเคารพนี่ก็หมายความว่ากิริยาการอ่อนน้อมใช่ไหมจิตใจแข็งกระด้างนี้ใช่ไหมเรียไงให้ด้วยใจนอบน้อมด้วยให้ด้วยกิริยาการที่นอบน้อมเลยคือให้ด้วยความเต็มใจเวลาเราจะให้ทานแต่ละครั้งเราเต็มใจไหม ตอน น, นจิตเบิกบานผ่องใสหรือไม่ผ่องใสเต็มใจใช่ไหมไม่มีจิตแง่งอนเลยใช่ไหมคําว่าจิตแง่งอนนี้แปลว่าอะไรงุดหงิดตลอดเวลาจิตแข็งจิตกระด้างอย่างนั้นเขาเรียกไม่นอบน้อมไอ้คาว่าแข็งในที่นี้เป็นชื่อของทิฏฐิมีความเห็นที่ผิดแข็งในที่นี้เป็นชื่อของมานะยกตนชูตนเปรียบเทียบตนจิตแข็งนะมองไปข้างหน้าซ้ายทีขวาทีแถวบ้านนี้ไม่มีใครสู้เราได้ อ้บ้านนั้นก็ไม่ทำบุญในบ้านนี้ก็ไม่ทำบุญซึ่มีเราทำอยู่คนเดียวแข็งไหมจิตแบบนี้ยกตนไหมยกตนชูตนแล้วยังบอกพระนี่ไงแถวนี้เขาไม่ตื่นทำบุญกัน้มีแต่บ้านยอมนี่แหละยอมพระกัจจารู้แล้วยกนื่ยกยกตนเคยเป็นแบบนี้ไหมหรอไม่เป็นไนีย จิตอ่อนโยนจิตนอบน้อมให้ด้วยความเต็มใจเงี้ยให้อย่างหนึ่งก็เรียกว่าให้ด้วยความยำเกรงเรนี่เราเคยยำเกรงไหมคำว่าให้ด้วยความยำเกรงให้อย่างไรอ่ะให้ด้วยความยำเกรงก็คือว่าเลือกของเลือกผู้รับที่เหมาะที่สมควรแก่ของที่ให้อ่า <c oughs> เลือกผู้รับที่สมควรแก่ของที่ให้ เวลาเราจะให้ทานเนี่ยเวลายอมพ่อแม่ปู่ตายย่ายายของเราที่ตายไปเราคิดถึงเขาไหมถ้าพ่อชอบกินแกงหน่อไม้เราก็แกงหน่อไม้ไปถวายพระชอบพะโลก็พะโลไปถวายพระชอบผัดเผ็ดผั ด, ผ ด, ผดอะไรก็เอาไปถวายพระกรณีที่ให้อย่างนี้ชื่อว่ายำเกรงหรือไม่ยำเกรงยำเกรงไหม แล้วเป็นแล้ยำเกรงให้ยังไงถ้าบางองค์เนี่ยท่านเป็นโรคความดันโลหิตสูงบางองค์ท่านเป็นโรคไตโรคตับโรคปอดโรคไอไขมันความดันเบาหวานการที่เราให้อาหารเนี่ยที่ไปเพิ่มความดันท่านไปเพิ่มเบาหวานท่านไปเพิ่นทําให้ไตทํางานหนักตับทํางานหนักปอดทํางานหนักการให้ลักษณะอย่างนี้ชื่อว่ายำเกรงหรือไม่ยำเกรง เวลาพอพระท่านได้ฉันอาหารเข้าไปหรือคนที่เราให้ของไปแล้วเขาได้กินอาหารเนี่ยร่างกายเขาทํางานอย่างหนักเลยไตต้องทํางานอย่างหนักปอดต้องทํางานหัวใจทํางานหนักโอ้โหเส้นเลือดโป่งเลยความดันขึ้นปี๊ดเลยเข้มจัดด้วยอะไรด้วยเนี่ยกรณีอย่างนี้ร่างกายเขาต้องต่อต้านอย่างรุนแรงเลยไหมต้องต่อต้านอย่างรุนแรงเลยแม้ฉันใดการให้แบบนี้เขาเรียกว่าไม่ยำเกรงยอมให้ไปเธอให้ทานแบบนี้ยผลที่ตามมาคือ ยอมมีบุตรหลานญาติมิตรปู่ตาย า, ยายายพ่อแม่พี่น้องบริวารญาติมิตรทั้งหลายเขาจะไม่ยำเกรงยมเขาจะต่อต้านยมทุกกรณีเพราะยอมให้ของที่ไม่ยำเกรงให้ของที่ไม่เหมาะสมแก่ผู้รับยมไปทดลองเลยนะถ้าอยากจะเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงไว้นะถ้ารู้ว่าอย่างเนี้ยพระท่านภานในเนี่ยนะท่านไม่ชอบอาหารเผ็ดอมารู้ท่านไม่ชอบยอมก็อาหารเผ็ดเผ็ดถ ว, ถวายครับ แล้วก็ท่านต้องกินนะยอมอุตส่าห์ทำมาแต่ไกลเลยท่านกินเข้าไปก็โอ้ยร่างกายเหงื่อแตกซกเรงแต่ต้องกินไหมยอมจ้องตาเขม็งอย่างไม่กินแล้วทำแบบนี้เรื่อยๆเรืยๆเยๆนะแล้วยอมลองทั้งเกตกลับไปเลยแต่นี้คนรอบข้างยอมเริ่มเลยพูดอีกอย่างมันก็จะกระด้างกระเดื่องอีกอย่างพูดอีกเรื่องเหตุเรื่องผลนะเนี่ย น, น, นี่เป็นแบบนี้ก็ลยอย่าง นั่นอย่าแปลกใจบางทีเราไม่ได้คิดเรื่องนี้หรอกแต่เราทําน่นไม่ถูกเพราะเราไม่เลือกผู้รับที่เหมาะแก่ของที่ให้อย่าแปลกใจว่าทําไมเราบอกลูกยากเหลือเกินบอกหลานบอกแม้พ่อแม่ปู่ตาย า, ยายายทำไมก็ด้างกระเดื่องกับเราเหลือเกินใช่ไหม ก, ก็ต้องคอยดุคอยอะไรแก่อยู่นั่นแหละเข้าใจยังว่ามันมาจากอะไร มาจากการที่เราสร้างเหตุและไม่ใช่แค่นั้นนะไม่ใช่เพียงแค่ขอให้ของอย่างเดียวเท่านั้นให้พฤติกรรมอยอมอยากจะให้ใครกระด้านกระเดื่องอยากยอมเวลายอมอยู่กับใครอยู่กับพ่อแม่ยกมือที่ที่ต้องดูแลพ่อแม่มีกี่คนเนี่ยวิธีการนะกลับไปยอมทาหน้าบึ้งใส่แม่บ่อยๆคือทําให้แม่เครียดเนะ่ะมีพฤติกรรมหน้าบึ้งจ้องตาแกบ้างพูดจาไม่ดีบ้าง แล้วพูดกับแท้กับท่านมันทำเลยนะโยมนะแล้วกรรมตรงนั้นเน่ะแล้วต่อไปจะทําให้ยอมเนี่ยมีแต่คนกระด้างกระเดืองกับยอมเพื่อนก็ไม่อยากจะคุยดีด้วยพ่อแม่ปูถุไอ้ใครก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะพากันกระด้านกระเดืองเพราะอะไรเพราะพฤติกรรมที่ยอมทํากับผู้มีพระคุณนั้นเนี่ยทำแบบกระด้านกระเดืองไม่ง่ายลองวิธีการทําแต่ถ้าต้องการอยากได้ผลตรงกันข้ามยอมก็ทําตรงกันข้ามเลยนะทําแบบไม่กระด้านกระเดืองอะไรที่ทําแล้วให้ท่านสบายใจยอมทําเช่น ทำหน้าแบบไหนที่แม่จะสบายใจทำได้ไหมนะทำหน้าแบบไหนที่แม่จะสบายใจมองมีพฤติกรรมอย่างไรมีพฤติกรรมทางกายอย่างไรทางวาจายอย่างไรพูดอย่างไรที่แม่มีความสุขแล้วก็ตรงกันข้ามนะถ้าต้องการอยากให้คนกระด้างกระเดื่องเราพูดยังไงที่จะทำให้แม่เครียดแก่จนจะเข้าโรงอยู่แล้วยังไม่รู้หรืออะไรควรกินไม่ควรกิน ต้องให้พูดอยู่นี่แหละคำพูดอย่างนี้เป็นคำพูดดีหรือไม่ดี เ, เคยพูดไหมไม่ใช่เป็นคำพูดที่ฉลาดเลยนี่แม่จะกินหรือไม่กินยาเนี่ยอยากตายใช่ไหมแม่ฟังแล้วแม่ชื่นใจั้ม พอยื่งแม่แก่แล้วก็ก็จะเป็นรักอะไงนี้นั้นมันนึกในใจโอ้โหเนี้ยกรรมที่เราทําแบบนี้เขาเรียกว่าไม่เคารพไม่เ อ, อ่ยไม่ยำเกรงใช่ไหม เ, ออเลือกคําพูดที่ไม่เหมาะสมแกพูดที่จะรับฟังโอ้โหมันต้องฝึกหลายอย่างนะหนึ่งการให้ใช่ไหมโการให้เนี่ยทีนี้ในหลักการตรงเนี้ยท่านพูดถึงในเรื่องของ หลักการใช้พรหมวิหารในชีวิตจริงการใช้พรหมวิหารในชีวิตจริงการให้ทานเนี่ยก็ยมเข้าใจคำว่าพรหมวิหารนะถ้าแปลว่าทำเครื่องอยู่อย่างประเสริฐทำเครื่องอยู่อย่างประเสริฐหรือจะบอกว่าทำประจําใจอันประเสริฐก็ได้ทำเครื่องอยู่อันประเสริฐหรือทำประจําใจอันประเสริฐสองคำนิยมชอบคำไหน ทำเครื่องอยู่อย่างประเสริฐกับทำประจำใจอันประเสริฐทำประจำใจอันประเสริฐใช่ไหมหรือจะว่าหลักความประพฤติที่ประเสริฐบริสุทธิ์ชอบคํานี้ไหมหลักความประพฤติที่ประเสริฐบริสุทธิ์หรือชอบว่าธรรมที่ต้องมีไว้เป็นหลักใจและกํากับความประพฤติจึงจะชื่อว่าเป็นการดําเนินชีวิตที่บริสุทธิ์หมดจดและเป็นการปฏิบัติตนต่อมนุษย์โดยชอบได้ฉะนั้น ทำประจําใจอันประเสริฐก็ดีเครื่องทำเครื่องอยู่อย่างประเสริฐหรือหลักความประพฤติที่ประเสริฐบริสุทธิ์เนี่ยธรรมะเหล่านี้ก็คือพรหมวิหารที่เรารู้กันใช่ไหมมีกี่อย่างอ่ะหนึ่งหนึ่งเมตตาสองกรุณา so สามสเมตตากรุณามุทิตาและเวขา4อย่างเนี้ยเขาเรียกว่าทำประจําใจอันประเสริฐหรือทําเครื่องอยู่อย่างประเสริฐหลักความประพฤติที่ประเสริฐบริสุทธิ์หรือธรรมที่ต้องมีไว้เป็นหลักใจ ต้องมีไว้เป็นหลักใจสี่อย่างแสดงว่าธรรมะสี่ประการเนี่ยเป็นธรรมะที่ควรกำกับไว้ในใจใช่ไหมทีนี้ประเด็นมันก็อยู่ว่าเมตตากรุณามุติตาเนี่ยเราใช้พร้อมกันหรือใช้ทีละอย่างเราควรให้ออกมาพร้อมกันไหมแต่ถ้าว่าถึงพรหมเนี่ยพรหมเนี่ยนยคำว่าพรหมพรหมวิหารเนี่ยก็แปลว่าทำเครื่องอยู่อย่างประเสรศิฐ วิหาระเนะแปลว่าเครื่องอยู่พรหมเนี่ยแปลว่าประเสริฐถ้าอย่งแปลว่าทําเครื่องอยู่อย่างประเสริฐหรือทําประ จ, าจําใจประเสริฐได้ใช่ไหมทีนี้ถ้าพูดถึง พ, พระ พ, พรหมพระพรหมเนี่ยมีกี่หน้ามี่สี่หน้าใช่ไหมมีกี่จมูกมีกี่หูมีกี่หูกี่หูหนะมีตา ก, กี่ตาชักนับไม่ถูกแล้ว พระพรหมเนี่ยมีกี่หัวมีกี่หน้าพระพรหมเนี่ยแล้วมีกี่หูแปด ห, ปหูอยู่ตรงไหนบ้าง <c oughs> ยอมลองเขียนเอาไ ห, ห้ดูหน่อยที่เขียนใบหูได้นะถ้า <c oughs> เขียนใบหูด้วย <c oughs> จมูกมีกี่จมูกนะ <c oughs> สีหน้ามีจมูกเดียวเออ อันนี้นี่พูดจริงนะว่าเอ๊ะจริงจรงิมีกี่หูนะมีหน้าแล้วหูเลยฮะเคยเคยไเคยสังเกตดูเขาไหว้วพระพรหมไหมมีพระพรมเคยไปไหว้ที่พระพรมที่เทรวันไหมใครเคยไปอดี๋ยไม่ที่ไหนก็ได้ใครเคยไหว้พระพรหมบ้างยกมือที่ไปกราบพระพรหมใครไปสังเกตไหมมีกี่มีกี่หู ใช้ไม่ได้พวกเรานี่ไม่ตั้งใจไปฟ้าพระพรหมมากี่ครั้งแล้ว <c oughs> เ, เขาทำห้กี่หน้าก็ทำไปัน่ไม่ได้สงสัยเลยเนาะ <c oughs> เดี๋ยวถ้าถามว่าแล้วพระพรมจะนอนยังไงเรายุ่งนะชีวิตถ้าไม่นอนไหวไหมแต่พระพรมได้ใช่ไหมเราคิดอย่างนั้นใช่ไหม เพราะท่านเป็นพระรมแล้วเลยไม่ต้องนอนอย่างนี้ใช่ไหมเราคิดอย่างนี้ป่ะมีกี่ตาแปดตาเลยนะ พ, พระพรหมมันมีสองคตินะคติพุทธกับคติพราหมณ์พระพรหมที่ก็สร้างที่ พ, พระพรหมเอราวัณที่โดนระเบิดเนะ่ะโดนระเบิดแล้วมีกก่อนหน้าจะโดนระเบิดโดนไอคนขี้ขี้เมาไงไปทุบพังซะดีแล้ว ก, ก็สร้างขึ้นมาใหม่ประวัตินั้นเป็นข็เป็นพรหมคติพุทธไม่ใช่พรหมคติพราหมณ์ผู้สร้างเขาก็เขียนก็ไว้ นาเจ้าพยาอะไรจาชื่อไม่ได้เลยในยุคนั้นแ ล, ววแล้วก็เข <ๆ S 1> <ๆ S 2> บอกว่าอืมเขาให้ไปถวายยกเว้นเออพระพรหมเนี่ยจะลงมาเนี่ยลงมาทุกวันเว้นวันพระวันพระเนี่ยพระพรหมไม่อยู่ข้ามไปถวายเครื่องเส้นวันนั้นเพราะท่านไม่อยู่ไงวันนั้นท่านไปไห น, นออท่านไปเฝ้าพระพุทธเจ้ า, ปปจาใช่ไหม พวกเราก็ไม่รู้คติแบบนี้กันไปทุกวันเลยนโยบาไปบางทีที่น่าเสียดายก็คือไม่เคยไปถามท่านว่าไปพ้าพระเจ้าแล้วพระเจ้าว่างไงจเจ้าพุทธเรานี่ที่พระพมเนี่ยจริงๆเนี่ยพระพมคติพุทธเนี่ยคำว่าสี่หน้าเนี่ยท่านหมายถึงธรรมะคือเมตตาน้าหนึ่งกรุณาหน้าหนึ่ง มูที่ตาอีกหน้าหนึ่งแล้วก็เวขาหน้าใช่ไหมพร้อมสี่หน้าก็คือนี่แหละพร้อมวิหารสี่ก็จะยางทีนี้ในบรรดาสีหน้าเนี่ยเขาให้ทําพร้อมกันทีละสี่หน้าหรือทําทีละหน้าทีละหน้าก็สรุปแล้วก็คือว่าต้องใช้หน้าพร้อมไม่ถูกต่อสถานการณ์นั้นๆให้เป็นเช่นเวลาเราไปอยู่ต่อหน้าแม่เราจะเอาหน้าไหนไปใช้กับคุณแม่ จะเอาหน้าเมตตาหรือเอาหน้าการุณาหน้ามุทิตาหรือหน้าเวขาเวลาเราเอาเมตตามากำกับไว้ที่ใจมาเป็นธรรมะประจาใจปุ๊บพอเมตตาอยู่ที่ใจปุ๊บมันก็แผ่ไปที่หน้าเราหน้าก็ออกมาเป็นหน้าเมตตาก็จอยายงได้พร้อมหนึ่งหน้าแล้วบางทีเอาเอาการุณาความสงสารคิดจะช่วยให้แม่พ้นทุกข์ ปล่ใจใจะจะปลดเปลื้องบำบัดความทุกข์และความเดือดร้อนของแม่ของบุคคลที่เราเกี่ยวข้องเนี่ยตอนนั้นก็คือกรุณาเนี่ยกำกับอยู่ที่ใจก็แผ่ไปที่หน้าแล้วหน้ากรุณาก็ออกมาเวลาเอาหน้ามุทิตาคือพอ ย, ยินดีเมื่อผู้อื่นอยู่ดีมีสุขมากำกับไว้ที่ใจปุ๊บเมตตาก็จะแผ่ไปที่หน้าเราหน้าก็จะออกมาเป็นมุทิตาคือพอ ย, ยินดี ปรารถนาดีเอื้อทอนไปในยามใดที่จะเอาอุเบกขาความวางใจเป็นกลางเนี่ยที่จะดํารงอยู่ในธรรมตาม ท, ท, ที่พิจารณาด้วยปัญญาก็คือรักษาธรรม ร, รักษา ก, ก, กฎเกณฑ์กติกาไว้ไม่เลือกที่รักผักที่ชังและและ้วในตอนนั้นอ่ะเป็นกลางแล้วสัตว์โลกทั้งหลายเป็นไปตามกรรมตอนนั้นก็เอาเบกขาไปกํากับไว้ที่ใจก็แผ่มาที่หน้าหน้าก็สแสดงออกมาด้วยอุเบกขาวางใจเป็นกลางไม่ใช่เฉยเมยนะ มันมีสองเฉยนะเฉยเมยกับเฉยมองกุเบขาเป็นเฉยเมยด้วยเฉยมองถ้าเฉยเมยเขาเรียกอัญญาโนปเปขาเฉยงโง่นี่ไม่เอาเฉยเฉยมองนี่ก็คือเฉยด้วยปัญญารู้และเข้าใจโลกและชีวิตตามความเป็นจริงด้วยแล้วก็วางใจเป็นกลางรักษากฎเกณฑ์จริกาด้วยรักษาธรรมะรักษาความถูกต้องดีงามไว้อย่างนี้เป็นต้นทีนี้ประเด็นคําถามว่า เวลายอมไปอยู่ต่อหน้าแม่คุณแม่ที่ดูแลแม่กันอยู่ยอมจะใช้หน้าไหนฉันไม่เคยเชื่อจะยอมต้องใช้หน้าโทสะแนี่นอนเลยฉันว่าใช่ไหมล่ะเครียดเนี่ยหน้าเครียดมีไหมเมตตาเครียดไหมไม่มีเมตตากรุณาเม่ตาเวขาไม่มีเครียดเลยเนี่ยเลียวมายอมใช้หน้าอะไรเวลายอยู่แต่หน้าแม่เครียด งดหยิ ด, ดเนี่ยเขาเรียกว่าใช้หน้าไม่เป็นเวลายอมไปทำงานนะ่ะไปทางานไปอยู่กับเพื่อนโดยมากยอมใช้หน้าไหนใช้หน้าเมตตาใช้หน้ากรุณาใช้หน้ามุติตาหรือใช้หน้าเวขาที่ใช้บ่อยที่สุดน่ะยอมใช้หน้าไหนมากที่สุดในชีวิตจริงๆฮะฉันไม่ค่อยอยากเชื่อเท่าไหร่ คนหน้าเมตตาไม่น่าเป็นแบบนี้นะโอ้คนที่มีเมตตาประจำใจเนี่ยยอมลองคิดว่าน่าจะเป็นยังไงอะ่ะโอโ้โหน่าอยู่ใกล้จ็บไหมล่ะเ อ, อบอิ่มพองใสล่าเลยเบิกบานตลอดเวลาเลยอะ่ะแล้วยอมยอมว่าขี้นั่งอยู่เนี่ยมีไหมเนี่ยคนจะใช้เมตตาประจำเลยอะ่ะ มีไม่มีมีเลยนีมมม่มีหาทำยาหยอดตาได้อยู่ๆๆๆๆถ้าปฏิบัติทำได้มะได้จริงๆมีธรรมะประจำใจจริงๆก็เมตตาก็ฉายออกมาใช่ไหมคืออย่างนี้จริงๆเขาไม่ได้ใช้หน้าเดียวมันใช้ตามสถานการณ์นะตามสถานการณ์นะพระมิหารเนี่ย เมตตาเนี่ยใช้ในสถานการณ์ที่ปกติใช Rem ้สถานการณ์ปกตินะในสถานการณ์ปกติเนี่ยเขาใช้เ <began S 1> มตตากำกับไว้ที่ใจ <un S 1> ถ้าในสถานการณ์ที่ผิดปกติขาลงขแย่สถานการณ์ไม่ดีทั้งหลายเนี่ยใช้อะไรใช้ ก, กรุณากำกับไว้ที่ใจเปลี่ยนหน้า ท, าทันทีเห็นไหมเปลี่ยนหน้า ท, าทันทีในสถานการณ์ที่ผิดปกติขาขึ้น เช่นเขาได้ดีมีสุขประสบความสําเร็จในชีวิตใช้หน้าไหนใช้มุทิตาใช่ไหมพอยินดีผิดปกติเนี่มีสองอย่างเนี่ยขาลงกับขาขึ้นต้องใช้ให้ถูกด้วยนะและในสถานการณ์ที่จะรักษาหลักการรักษาธรรมารักษาความถูกต้องดีงามรักษาธรรมเอาธรรมะเป็นใหญ่ความถูกต้องเป็นใหญ่เป็นกฎเกณฑ์เป็นกติกาไม่เลือกที่รักไม่ผักที่ชังตอนนั้นใช้หน้าไหนเห็นไหมมันต้องมันต้องใช้ให้ถูกสถานการณ์ด้วย ไม่ใช่ว่าเมตตาตะบันเลยไม่ใช่ไม่ใช่หรือกรุณาหรือมุทิตาหรือเบกขาไม่ใช่อย่างนั้นเช่นเช่นบางคนเนี่ยสถานการณ์ใดก็ไม่สนใช้เวขาตลอดนะท่านสมม่ิาพาท่านนั่งอยู่งี้ไหมเกิดเป็นลมชักยอก่อะสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมอย่างนี้ฮอย่างนี้ถูกไหมคนใช้ คนใช้พรมิหานหน้าไหนตอนนั้นเนี่ยการุณาปแปลว่าอะไรกรุณาเอาการุณามากำกับใช่ไหมเอาเป็นธรรมะกำกับไว้ที่ใจคิดยังไงเรียกว่าการุณาปราถนาให้คนทุกข์ใช่ไหมคิดจะช่วยบำบัดทุกข์บำรงสุขช่วยปลดเปลื้องความทุกข์ให้แก่ท่านการที่คิดอย่างนี้เบีเสร็จปุ๊บก็นั่งเฉยอยู่ใช่ไหมหรือทาไง ก็คิดแล้วไงก็กรุณาแล้วจะเอาอะไรกับฉันอีกใช่ไมทำยังไงดีอ่ะทำยังไงวิธีการทำยังไงคำว่ากรุคำว่าเมตตากรุณาและมุทิตาของเราเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะให้กำกับไว้ในใจ ทีนี้ตัวเมตตามันจะผลักดันออกมาหรือ ก, กรุณาเนี่นะผลักพฤติกรรมออกมาผลักแบบไหนก็คือลุกขึ้นมาแล้วก็มาดูหาคนหายาหาอะไรก็ว่าไปเนี่ยไอ้กรณีอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าอาจจะพูดพูดบอกท่านหายใจลึกๆหายใจลึกๆไอ้การพูดอย่างเนี้ยพูดด้วยอะไรพูดด้วยกรุณาเนี่ยหายามาบอกใครช่วยยกท่านหน่อยอะไรก็แล้วแต่เนี่ย หรืออาจจะไปช่วยยกช่วยจับอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านกําลังชักอยู่เนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าเมตตากายกรรมทําด้วยกายถ้าพูดออกไปเขาเรียกเออเขาเรียกกรุณากายกรรมทําด้วยกายถ้าพูดออกมาเขาเรียกว่าการุณาวจีกรรมนะแต่คิดในใจนะั่นเขาเรียกกรุณามนโนกรรมเขาจ ย, ยางังเนี่ยเขาเรียกว่าผลักดันออกมาแบบนี้แต่คนไทยเราเนี่ยโดยมากเราจเจริญกรุณากันในมุง้ง หรือเมตตากันในมงเข้าไปก็ ส, สัตเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนโทุกเกิดแก่จบตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อ, อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกายลยตาขวางอยู่นั่นแหละยงกัดนิดเดียวก็ไม่ได้ไม่ยอมนะเนี่ยไอ้ที่เมตตาอยู่ในมงคอะ่ะใช่ไหมจริงไม่จริง <c oughs> กําลังแผ่เมตตาลองลุกล้องขึ้นมาดี เบาๆหน่อยได้ไหมฉันกำลังแผ่เมตตาอยู่ <c oughs> โกรธขึ้นมากี่ไรนี่เมตตามันเกิดจริงไหมมันเป็นแค่รูปแบบฝรั่งมันก็ไปเขียนหนังสือโจมตีเมื่อคนไทยเนี่ยมีแต่เมตตาในมุงก็ <c oughs> นั่งแผ่กันอยู่นั่นแหละแต่เบียดเบียนกันมากท <c oughs> ี่สุดแพ่เมตตาทุกวันทุกวันไปวัดไหนก็แผ่เมตตากันพอทําวัดใส่กษัตริย์สัตตาสัตว์ทั้งหลายต <c oughs> ั้งแต่จเจ้าวาดลงมาจนลูกวัด พอมีคนเข้ามาวัดถูกว่าจะขออาศัยอยู่วัดไม่ได้นันไปวัดอื่นมึงแผ่เมตตาเสร็จนี่ไล่ไล่คนอกอกจากวัดเห็นไหมมันมันกลายเป็นอะไรเนี่ยเป็นได้แค่รูปแบบไงพวกเราเป็นแบบนั้นไหมห้ามบอกว่าไม่เป็นสรุปแล้วก็คือเมตตาใช้ในสถานการณ์ไหนทำท่าลืมอีก ยอมมาเข็นคอกขึ้นภูเขายากไหมยอมไหมยอมมายากยากไหมอ่ะยอมมายากไหมเข็นคอกขึ้นเขายากอย่างนี้ยอมบอกต้น อ, อยู่ที่คอกเล็กหรือใหญ่ <laughs> <laughs> <laughs> อ้อมคอกขึ้นภูเขาเนี่ยถ้าคอกใหญ่ๆเนี่ยยากไหมยอมไหมยากใช่ไหม แต่ถ้าหากว่ายกภูเขาใส่คอกนี่อนไยากกว่ากั น, นถ้าแนนมาสอนโยมนี่เหมือนแบกคอกขึ้นเขาหรือเหมือนแบกภูเขาอัดใส่คกอกเ <c oughs> ไม่เป็นไรหรอกอย่างนี้ถือว่าโยมได้ได้ฟังแล้วใช่ไหมถึงแม้โยมจำไม่ได้วันนี้ก็ไม่เป็นไรเริยนเป็นสัญญาแล้วไง พยมตั้งใจฟังใช่ไหมถึงฟังปั๊บมันจะลืมฟังปั๊บจะลืมก็ไม่เป็นไรเพราะบางคนมีปัญญาเหมือนหน้าตักก็มีใช่ไหมปัญญาดุดหน้าตักถ้าดุดหน้าตักกําลังนั่งอยู่เนี่ยมันมันเข้าใจหมดเลยนะแต่ห้ามลกลกแล้วหายหมดบางคนหนักไปกว่านนะั้นเลยมีปัญญาเหมือนหม้อคว่ำมันค ว, วน่ำก็ว่าน้ําาเทใส่ได้ไหม มันเป็นความมันก็ไม่หงายไม่ยอมหงายไป็นความวะเงีย้ยยอมเป็นปัญญาแบบไหนปัญญาเหมือนมอกความหรือหน้าตักเ <c oughs> ดี๋ยวคอยช่วน่อ <c> ย <oughs> เอ๊ะวันนี้มาพูดเรื่องอะไรตอนเนี้ <c oughs> โอ้อใจได้พูดเรื่องพร้มวิหารใช่ไหมพร้อมวิหารมีเท่าไหร่ <c oughs> มีสี่นะปัญหาของพวกเรานี่ขาดพร้อมวิหารข้อไหนครับ ออกมาว่าขาดทุกข้อเนี่ยออกมายังมไม่ค่อยไม่ค่อยไว้ใจเราเราดู ด, ดแลเหมือนขาดทุกข้อ <c oughs> เอเมตตาไอ้ เ, อเมตตานี่ใช้ในสถานการณ์ไหน <c oughs> ปกติคําว่าปกตินี้แปลว่าอะไรตอนนี้ปกติไหมเนี่ย <c oughs> ปกติไหมไม่มีใครผิดปกติเลยใช่ไหมตอนเนี้ย <c oughs> แปลว่าตอนเนี้เราไม่ได้เดือดร้อนอะไรกันใช่ไหมเป็นทุกเดือดร้อนมีโรคภัยแค่เจ็บเบียดเบียน มีปัญหาชีวิตอะไรอย่างหนักสหัสการมีไหมหรือมีอยู่อ่าถ้างนี้จะได้เจริญพร ม, มิหารถูกนช่ไหว่าจะเจริญข้อไหนตอนนี้เราจเจริญข้อเมตตาเมตตาเมตตาก็แปลว่าวอะไรเนี่ยความรักความปรารถนาดีความเมื่อทอนใช่ไหมเมตตาเนี่ยเมตตามีความรักความปรารถนาดีใช้ในสถานการณ์ที่คนอื่นอยู่เป็นปกติ ใช้ในสถาการปกติลักษณะของเมตตาเป็นยังไงเมตตามันจัการจะศึกษาแล้วเมตตาเขาศึกษาสี่สี่อย่างหนึ่งหน้าตาลักษณะบุคลิกาภาพของเขาเนี่ยนี่นีเมตตามีลักษณะยังไงเมตานี่เป็นรูปธรรมหรือเป็นนามธรรมาเป็นนามธรรมาใช่ไมเกิดอยู่ที่ไหนเกิดที่ใจเกิดเองหรือว่าต้องทำให้เกิด นั่งอยู่เฉยเฉยมันวิ่งมาเกิดเองไหมมันต้องต้องทําให้เกิดใช่ไหมทํายังไงถึงจะเกิดเ ย, ยังไม่รู้หรอกเรายังไม่รู้เราจะพูดเลยไปแล้วตอนนี้ลักษณะของเมตตาต้องดูก่อนนะว่าลักษณะของเขาก็คือเป็นไปโดยการเกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งหลายคือมีความคิดเกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยอยากจะเกื้อกูลอยากจะช่วยเหลืออยากจะเข้าไปดูแล แก่สัตว์ทั้งหลายมีลักษณะของเขาเป็นแบบนั้นหน้าที่คําว่าหน้าที่ก็คือว่ากิจกิจจะคือหน้าที่ของเขาเวลาเมตตาเกิดขึ้นเขาทางา น, นยังไงต้องดูด้วยก็ทําทงานยังไงด้วยเนะก็คือเขาทําแล้วก็น้อมนาประโยชน์เข้าไปให้แก่เขาคําว่าหน้าที่นีแปลว่าถ้าเมตตาเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาจะทํางานของเขาเลยน้อมคําว่าน้อมเอาประโยชน์ก็คือยังไงเช่นเช่นเห็นเขาปกติก็น้อมใจแผ่ไม่ตีจิตไป ให้เขาอมีอายุยืนให้เขามีความสุขให้เขามีทรัพย์เยอะๆให้เขาประสบความสําเร็จในชีวิตให้เขามีรูปที่สวยๆให้เขามีเสื้อผ้าใสา่มีบ้านอยู่อย่าให้เขาเดือดร้อนเนี่ยมันจะน้อมประโยชน์เนี่ยในทางใจก็คิดไปแบบนี้เลยเคยบ้างไหมแบบเนี้ยเคยบ้างไหมเอาพระมานั่งตั้งครึ่งวันกว่าแล้วเนี่ยเคยคิดให้พระมีอายุยืนบ้างไหมถามจริงเคยไหมไม่เคยเลยบ้างเนี่ย เนี่ยเขาเรียกว่าไล่เมตตาเข้าใจยังถ้าเป็นฉันฉันคิดตั้งนานแล้วฉันยังคิดใช่ไหมฉันคิดฉันมาตั้งแต่ขนาดแรกเข้มยมปุ๊บนีฉันคิดแล้วฉันคิดจะขอโยมมีความสุขมีอายุยืนขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตให้ฉันคิดคิดคิดคิดโอ้ฉันคิดหมดแล้วฉันเอาไปกินตั้งนานแล้วกุศลประเภทเนี้ฉันไม่ปล่อยให้มันฉันไม่มองอะไรเพลินๆหรอก มองแล้วก็ไม่คิดอะไรแบบเออระเหออยงไงฉันฉันกลัวมากที่สุดคือการเป็นโลกเอ๋รู้ไหม <l ots> ฉันกลัวมากเลยฉันจะไม่มองอะไรโดยไม่ไม่ผ่านไม่ผ่านการพิจารณาด้วยญาณปัญญาฉันกลัวมากสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในโลกใบ น, นี้คือความโง่ยอมว่าน่ากลัวมไหมความโง่น่ากลัวที่สุดเนี่ยอยอมว่ายอมมียิ่งใหญ่มากเลยยอมปกครองทั้งโลกใบ น, นี้แต่ยอมเป็นโลกเอ๋ยอมเอามั้ย นั่งน้ำลายไหลไม่รู้เรื่องรึเปลาเอาไหมล่ะความโง่นี่น่ากลัวเนี่ยยอมประสบความมีทรัพย์มีอะไรเยอะแยะหมดแต่ยอมเป็นโรคเอือเอาไหมเห็นไหมเนี่ยแคันฉันกลัวตรงนี้เวลาฉันเห็นใครฉันก็แผลไม่ตีแล้วฉันทํำหลายรอบด้วยแล้วไม่ต้องไปบอกด้วยนะเออนี่เนี่ยฉันแผลเมตาส์เธอมีความสุขแล้วทำไมเธอไม่แผ่ฉันบ้างสิจะไม่ไปทว ง, งนี่แค่เราะใช่ไหม เพราะเรื่องการเจริญเมตตาเรื่องเอาเมตตามากำกับไว้ที่เอาธรรมะอันประเสริฐที่มาไว้ในใจเรามากำกับที่ใจเราเนี่ยใช่ไหมให้เป็นวิหารธรรมให้เป็นธรรมะประจําใจอันประเสริฐมันเป็นหน้าที่ของเราที่เราคนปฏิบัติใช่ไหมเนี่ยลักษณะนี้เขาเรียกเมตตามีลักษณะหน้าที่ของเขาคือน้อมเอาประโยชน์ให้เขาผลปรากฏอยู่ตรงไหนเราจะวัดผลได้ยังไงว่าเมตตาเนี่มีพลังหรือไม่มีพลังก็คือ กำจัดความหงุดหงิดความอาฆาตเคียดแค้นได้ยอมมีอาการหงุดหงิดจังไหมนั่งเนี้ยมีไหมร้อนเนาหงุดหงิดจังหงุดหงิดง่ายอะ่ะเป็นไม้มเห็นหน้าคนนี้แล้วหงุดหงิดเป็นบ่อยไหมยอมเนี่ยในขณะที่ยอมมองเห็นหน้าซึ่งกันและกันใจเมตตายมเดินคล่องทุกคนเลยไหมหรือว่าบางคนหมั่นไส้เดินคล่องไห ไม่มีขัดเคืองเลยอะเห็นหน้าใครอ่ะมันรู้สึกว่ารักปราถนาดีเ อ, อือ้อตอนมันแบบจับจิตจับใจก็าครเข้าใจครับีน้มันรู้สึกเกิดรักแบบจับจิตจับใจแบบอยากให้เขามีความสุขจริงๆโดยชนิดที่มันไม่ต้องไปบอกเขาไม่ต้องไปบอกเขานี่ฉันเมตตาเธอนะ่เมตตาทุกวันวันละหลายร้อยรอบนั้นเธอต้องเมตตาฉัน มันไม่ได้หวังประโยชน์ตรงนั้นหวังอยากทําเมตตาให้เจริญขึ้นในใจเราจริงๆนั้นเมตตาดูตรงไหนผลปรากฏดูตรงไหนดูที่ความอาฆาตเครียดแค้นจิงชังความหงุดหงิดมันหายไปเลยไปที่ไหนความหงุดหงิดไม่เกิดเลยนี่แสดงว่าเมตตามีผลหรือยังนะเขาวัดตรงนี้ไม่ใช่ว่าใส่ชุดขาวแล้วประสบความสําเร็จแล้วไม่จริง เจิดขาวเนี่ขี้โกรธก็เยอะใช่ไหมใส่จีวอลแล้วไม่โกรธมีไหมโกรธมีไห ม, ไหมแล้วแล้วคิดว่าฉันโกรธไหมเวลาฉันพูดแล้วเราไม่เข้าใจเ<อ>พราะอะไรออ <laughs> เออฉันก็คิดอย่างนั้นเลย <laughs> ฉันไม่กล้าโกรธเพราะอะไรเพราะโกรธแล้วเนี่ยฉันก็ทําบาปอย่างนก็ไม่กล้าเวลาฉันเห็นพวกเราเวลาขนาดฉันไปบรรยายทํา คนไม่ตั้งใจฟังฉันยังไม่โกรธเลยคนนั่งหลับฉันก็ไม่โกรธจริงลองไม่เชื่อลองหลับดูทีฉันไม่โกรธจริงๆที่ฉันไม่โกรธฉันคิดยังไงรู้ไหมฉันคิดว่าโอ้ขอให้หลับลึกๆ <laughs> โบกเสียงเหล่านี่ทำให้เขาหลับได้ถ้าเขาไม่หลับเขาจะเป็นโรคจิตโรคภาษาใช่ไหม นึกในใจโอ้โหดีเหลือเกินเป็นบุญนะเนยได้อุตส่ามานั่งหลับวางพระมันแต่บางคนนะ่งหลับบางทีหลับแบบคอเหมือนหักเนียฉะนันนึกในใจขออย่าให้คอเคต <c oughs> <c oughs> แต่ถ้าเขาหลับแบบนิ่ ง, งๆก่ <c oughs> ยอมเคยนั่งแล้วหลับไปแล้วกลนเลยไมยเคยไหมเคยใช่ไหมอย่างนี้ไม่ดีเรากวนคนข้างๆ ลักษณะของเมตตาก็ผลปรากฏก็คือกําจัดความมาคาดความแค้นเคืองให้ปราศจากไปอะไรเป็นเหตุใกล้อะไรเป็นเหตุใกล้คำว่าเหตุใกล้ในที่นี้หมายความว่าคิดอย่างไรเมตตาถึงจะเกิดได้ง่ายเห็นไหมตรงนี้สําคัญมากเลยนะวิธีการจะทําให้เมตตาเกิดนี่ก็คือการหยอดอาหารเพื่อให้เมตตาเกิดการที่จะคิดให้เป็นบางคนเนี่ยคิดไม่เป็นคิดทีไรโทสะเกิดทุกทีเลยอวิธีคิดให้โทสะเกิดคิดยังไง คิดจุดด้อยเขาคิดคิดจุดด้อยของเขาเห็นจุดด้อยของเขาเก่งฉลาดในการมองจุดด้อยคนอื่นเห็นเขาเดินก็เครียดแล้วดูมันเดินดูมันเดินอะไรเงี้ยเห็นเขาเห็นเขานั่งบางเห็นหน้าตาบางเห็นปากเห็นจมูกบางคนเนี่ยนะไปยืนยืนมองคนที่เดินไปเดินมาเนี่ยเมตตาเขาเกิดได้ตลอดแต่บางคนเนี่ยเครียดเกิดบางคนมันเดินเอียงซ้ายบางคนเดินเอียงขวาบางคนเดินแ่นะหน้าแหนะหลังใช่ไหม บางคนก็เดินไม่มองใครเนี่ยมันมองไปแล้วเครียดกินนะแต่บางคนมองเลยยิ้มเออชื่นใจอ่ะสัตว์เป็นไปโดยอาการต่างๆกันเนี่น่ารักนะขอให้เขาปลอดภัยขอให้เขามีความสุขมันคิดมุมดีอย่างเงี้ยไหมเห็นจุดเด่นคนได้ง่ายไม่ไปมองเห็นคนเห็นเห็นปกติของคนทั้งหลายที่เขาเป็นไปต่างๆกันอย่างเงี้ยก็สามารถคิดให้เกิดเมตตาได้เขาเรียกว่ามองจุดเด่นคนได้ง่าย ฝึกนะตรงนี้ต้องฝึกคิดนะเมตตาถึงจะเกิดง่ายมองปุ๊บไปที่ไหนเห็นจุดเด่นเช่นเห็นคนนั่งหลับเห็นคนนั่งหลับแล้วก็มองจุดเด่นได้เออเนี่ยเขาจะได้มีความสุขแสดงเมื่อคือนนี้เขานอนไม่หลับใช่ไหมเออเขาได้หลับได้พักผ่อนบ้างจิตเขาจะได้มีความสุขหรือไงนะเนี่ยถ้ามองรักหยังนี้เมตตาไหมถ้ามองไอ้นี่มันนั่งหลับไม่รู้เรื่องรู้เราอยู่ตัวสาเกิดเลยนะมองแบบเนี้ยเห็นไหมว่า ลักษณะของการที่คิดให้เกิดเมตตาตรงนี้เขาเรียกว่าโยนิโสเขาเรียกคนฉลาดคิดเราเป็นมีปกติคิดแล้วเมตตาเกิดง่ายไหมเห็นคนทะเลาะ ก, กันเนี่ยยมสามารถทำให้เมตตาเกิดได้ไหมเอาคนทะเลาะ ก, กันเนี่ยคิดได้ไหมถ้าถ้าคนทะเลาะ ก, กันต้องไปอยู่ในหมวดกรุณาพอมองเห็นนี้ยังแต่เนี้ยสรุปแล้วคือ ลักษณะของเมตาก็เกื้อกูลและทักิณของเมตาก็คิดที่จะเกื้อกูลคิดจะช่วยเหลือเขาจริงๆผลของเมตาก็กําจัดอาฆาตพยาบาทเขตใกล้ของเมตาก็คือคิดเห็นจุดเด่นได้งานเมตตาในเวลาเกิดขึ้นมาเนี่ยลักษณะจิตใจจะเยือกเย็นเหมือนพระจันทร์วันเพ็ญนะยอมเคยดองมองดูพระจันทร์วันเพ็ญไหมวันเพ็ญสิบห้าค่ำเนี่ยพระจันทร์เต็มดวงมองไปแล้วจิตใจเป็นยังไง เย็นสดชื่นแม้ชั้นใดสภาพเมตต า, าเวลาเกิดขึ้นในใจจะเป็นอย่างไรเคยในชาตินี้เคยมีเมตตาแบบนั้นบ้างไหมเคยไหมสภาพจิตเยือกเย็นสบายเนี่ยมีบ้างไหมรู้สึกมันโปร่งโล่งมองจิตมันไม่ติดขัดเล ย, เ, ยเคยบ้างไ้มล่ะเนี่ยเนี่ยไปฝึกให้เกิดขึ้นจริงๆนะนี่เมตตาเมตานั้นให้เกิดขึ้นกำกับอยู่ที่ใจแล้วก็ผลักดันออกมาเป็นพฤติกรรมทาง ถ้าเอแสดงออกมาทางกายเขาเรียกเมตตากายกรรมถ้าพูดออกมาเขาเรียกเมตตาวจีกรรมกายวาจาไม่เคลื่อนไหวนั่งนิ่งๆหรือมองหน้าเนี่ยมองได้ปีญญาจากสุขแล้วใจก็เป็นไปก็โคตรความรักปรารถนาดีเอื้อตอนอย่างนี้เขาเรียกเมตตามนโนกรรมอาโยมลองนั่งนิ่งๆเงี้ยโยมมองมาที่พระแล้วก็แผ่ไม่ตีจิตปนึกปรารถนาขอให้ท่านมีความสุขขอให้ท่านอายุยืนขอให้ท่านประสบความสําเร็จในสิ่งที่หวัง ขอให้ท่านพ้นทุกโดยเร็วโดยสะดวกขอให้ท่านได้นิพพานโดยเร็วนะท่านจะได้ไม่ต้องมากลับมาเวียนว่ายตายเกิดมาเจ็บปวดในสังสารวัฏเนี่ยการคิดจิตใจที่น้อมไปแบบเนี้ยอันนี้ก็เรียกเมตตามโนกรรมอ่คิดได้ยังคิดแล้วยังคิดจริงหรือเปล่าไม่รู้ไมสังเกต ด, ดูสภาพเวลาใจคิดเนี่ยตอนนั้นจิตใจสดชื่นไหมหรือคิดไปบางทีมันแค่ท่องอนะแต่จิตมันทื่อๆจิตมันเฉยๆ จิตงงๆเนี่ยไอ้เงี้ยลักษณะแบบนี้เมตตาไม่เกิดมันได้แต่ภาษาออกมาแล้วบางคนมันไม่ออกเลยนะยอมสังเกตดูนะจิตมันไม่โลดแล่นไปเลยมันได้แต่คิดแต่มันไม่มันไม่วิ่งไปเป็นไหมจิตไม่ได้วิ่งออกไปจริงๆคือเมตตาถ้าเราเราฝึกอย่างนี้เราจะได้รู้เลยว่าเราเนี่ยเป็นคนแรงน้ำใจมันไม่ออกแล้วจะแผ่ให้กับใครยากแสนยากเลย่เนี้ยสังเกตดูนะ ยั่ตายแล้วเราเพิ่งรู้เลยเราคิดถึงคนอื่นได้แต่เมตตาไม่ยอมไปด้วยสังเกตดูนะคิดถึงเพื่อนคิดถึงใครได้หมดแต่ไม่ไม่คิดด้วยใจรักปรารถนาดีเอือ้อทอนแล้วให้เขามีความสุขเอาที่ยอมลองทํำดูเนี่ยแค่ทําได้เดี๋ยวเนี้ยอมจะมีเมตตาเกิดขึ้นในใจได้อย่างมหาศาลขอให้ทำได้จริงๆได้ไหมวิ่งออกมาอีกยังเมตาวิ่งออกมาอีกยังออกมาแล้วเลยออกไหม ออกไม่ออกอ๋อดีเนี่ไม่เห็นกระทบบ้างเลยนี่น <c oughs> ้องสายมันเบาบางเกินมั้งเนี่ยถ้าทุกคนนั่งอยู่ในห้องนี้มีแต่เมตตาจิตฉันคิดว่าโอ้โหบรรยากาศมันจะไม่เป็นแบบนี้นะเจ๊ไหมล่ะเข้ามาเนี่ยลองคิดดูนะว่าคนที่มีพลังจิตจริงๆเนี่ยคนที่มีพลังนะอะมีภารูปหนึ่ง ท่านก็ไปฝึกเนี่ยฝึกเจริญเมตตาฝึกฝึกฝึกฝึึกจนได้พลังจริงๆแล้วบอาไอ้คิดถึงเพื่อนเพื่อนดีกระจากกันตั้งสิบกว่าปีเพื่อนอยู่ไม่ไหวเนี่ยมันต้คิดถึงพระอย่างวันนี้ไปหาถามาเลยไม่รู้เป็นอะไรอ่ะผมคิดถึงท่านจริงๆว่างั้นเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนี่ยอมแผลกันตั้งแยะทําไมมาไม่คิดถึงโยมเลยไอ้เแดงว่ามัน ผิวเผลนมากยังให้พลังเมตตาอ่อนแอมากเนี่ยต้องฝึกกันใหม่ใช่ไหมมันต้องมีพลังให้มากกว่า น, นี้นด้ทีนี้ที่โอ้โหใช่ไหมไอ้กรณีแบบนี้เรียกแผ่เมตตาได้จริงจิงจิตมีพลังเวลาเวลาเจริญยิงมากขึ้นมากขึ้นบางทีสังเกตดูนนะว่าเราได้นิดเดียวเราคิดแล้วลอื่นนิดเดียวคิดแล้วอื่นมันไม่ไปในบุคคล น, นั้นจริงๆโอ้นีสบายเลย ยอมแผ่เมตตาได้ลูกหนีไปเที่ยวเดี๋ยวก็วิ่งกลับมาแผ่เมตตาเยอะๆเที่ยวไม่สนุกเลยคิดถึงแม่เงิน <c> ก <oughs> ต่อไปอยู่กับแม่จะกว่าอยู่กับแม่มีความสุขว่าเอาไปใช้ได้ผลแม่แบบเนี้ย <c oughs> เริ่มได้ดีแล้วเนี่ยแต่สําคัญทําไม่เป็นเนี่ยนะ เ, เข้าใจเมตตาได้ออยังเดี๋ยวนี้ต่อไปเป็นกรุณาเมตตาใช้ในสถานการณ์ไหนปกตินะเอาการุณาเดีเนี้ย ใช้ในสถานการณ์ไหนปกติหรือผิดปกติกตขาขึ้นหรือขาล ง, าลงโอ้ใช้ได้ง่ายมากการุณานการุณาใช้ในสถานการณ์ที่คนอื่นเขากำลังเดือดร้อนเดือดร้อนเนะี่ยตอนนี้เราลองมองดูที่ว่าเราควรกรุณาใครคนที่เรารู้จักมีบ้างไหมที่เขากำลังเดือดร้อนมีไหมมีไม่มี สามารถจะิญได้ตลอดไม่กร you know, ุณาเนี่ยหรือว่าต้องเป็นพักๆหรือเป็นตามสถานการณ์นั้นๆตามสถานการณ์ยกเว้นยกเว้นแต่เรามีความเข้าใจที่ลึกขึ้นถ้าไม่ลึกก็ดูตามสถานการณ์ดูตามหน้างานใช่ไหมเวลาเราอยู่กับสามีเราควรเจริญเมตตาหรือกรุณาหรือมุทิตาหรือเวขาที่เราใช้ประจําเลยมากข้อไหน สัตว์ลอกเป็นไปทำการมือว่าเหตขาแบบเฉยมือเองมั้งนั้นกรุณาเนี่ยลักษณะของเขาก็เป็นไปโดยการปลดเปลื้องปลดเปลื้อ ง, องทุกแก่สัตว์ทั้งหลายความคิดเนี่ยก็คือว่ารู้สึกอยากจะปลดเปลื้องทุกให้เขาใช่ไมอยากจะเกื้อกูลเขาอยากจะช่วยหเหลือเขาเนี่ยไอความรู้สึกอย่างเนี้ยเห็นใครตกทุกข์ได้ยากทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเหล่านี้คิด หรือตั้งใจไว้เลยนะว่าเจอคนทุกเจอคนเดือดร้อนเจอคนประสบภัยพิบัติทั้งหลายเราจะเกื้อกูลเขาด้วยใจด้วยใจก่อนนะมีโอกาสก็ด้วยวาจาหลืด้วยการกระทําเนี่ยการคิดรักขนาดนี้ยหน้าที่ของเขาคือเวลาเห็นอยู่สถานการณ์ที่เขาเดือดร้อนเขาตกทุกข์ได้ยากไม่นิ่งดูได้ทนนิ่งอยู่ไม่ได้ต่อทุกข์ของสัตว์ทั้งหลายนี่ทนไม่ได้เลยนะเช่นว่าเห็นเขาก็ตกทุกข์ได้ยากเขามาทนไม่ได้เนี่ย แปลว่าในใจเนี่ยอยู่เฉยไม่ได้ต้องน้อมกรุณาไปให้เขาแล้วก็คิดว่าขอให้เขาพ้นจากทุกข์ขอให้เขาประสบความสุขโดยเร็วพันธ์อตอนนี้เราอยู่กับแม่ใครใครเลี้ยงแม่เลี้ยงพ่อบ้างแล้วเธอเป็นทุกข์ไหมพ่อแม่เป็นทุกข์อยู่ั้ยสบายอยู่ก็เมตตาถ้าหาเป็นทุกข์ทำไงถ้าเกิดแม่ป่วยหนักพ่อป่วยหนักสามีภรรยาหรือคนที่เรารู้จักเขาป่วยหนักถ้าเป็นมะเร็งอะ ระยะสุดท้ายสมมติเราควรเจริญกรุณาไหมเวลาเจริญกรุนาเจริญยังไงก็คือคิดปลดเปลื้องใช่ไหมเป็นไปโดยการปลดเปื้องทุกเอกสารทั้งหลายก็ไม่นิ่งดูไดไม่นิ่งดูได้ก็คือว่าขวนขวายในการที่จะช่วยเหลืออะไรเป็นผลปรากฏของกรุนา นี่เราเคยคิดไหมเวลาใครเคยดูแลแม่แล้วก็รู้สึกเครียดตอนที่แม่ป่วยหนักๆๆหรือคนที่เรารู้จักป่วยหนักๆแล้วเรามีความรู้สึกว่าเมื่อไหรจะตายสักทีก็ไม่รู้เคยคิดแบบนี้ไหมถามจริงเคยไหมหรือเห็นคนอื่นเขาประสบความทุกข์ความเดือดร้อนแล้วเราก็มีความรู้สึกว่า ไม่เมื่อไหร่จะตายทีเคยคิดไหมเพราะทรมานมากเหลือเกินน่าจะแต่ตายไปเสียเนี่ยเคยคิดไหมไอการคิดแบบเนี้ยเป็นการกรุณาเขาหรือคิดเบียดเบียนเขาเบียดเบียนไหมเนี่ยแบบนี้มีเยอะเลยนะคิดเบียดเบียนเราไปนึกว่าอย่างนี้ไม่เบียดเบียนอันนี้ไปเบียดเบียนเขาใช่ไหมเขายังไม่ถึงเวลาตายแต่เราไปคิดให้เขาตายไปกํำกับเขาเพื่อให้เขาตายเนี่ยกรณีแบบนี้เบียดเบียน มีคนขับรถปาดหน้าปุ๊บแล้วเราก็แช่งในใจว่าไปตายไปเคยคิดไหมแบบเนี้ยเคยไหมเวลาเขาขับรถแซงเราปาดหน้าเราปุ๊บเนี่ยแล้วก็นึกแช่งในใจไปตายซะไปอย่างเงี้ยเคยไหมไม่เคยเลยคิดยังไงไอ้คำไว่าใบที่ชอบพวกเราจริงๆเราคิดเราโกรธนะตอนนะี้โกรธไหม เป็นอย่างน้นจริงเหรอเห็นพยายามมองหน้าอยู่เนี่ยจริงเปล่าเลยมีจิตใจปราถนาให้เขาปลอดภัยเลยใช่ไหมขอขอให้เขาไปถึงบ้านได้ปลอดภัยขอให้เขามีอายุยืนขอให้เขาอย่าได้ประสบคิดคาว่าไปที่ชอบนั่นหมายถึงอะไรคาว่าปไปที่ชอบเป็นคํา เป็นคำชมหรือคำด่า <S <S ฮะชมหรือด่า <S <S ไม่แน่ใจใช่ไห <S 1> <S 1> เราดูตอนนั้นจิตคิดประทุสล้ายไหม <S <S ถ้าจิตคิดประทุสลายเขาคิดเบียดเบียนเขาอันนี้เขาเรียกว่าขาดกรุณาขาดกรุณ า, าคนบางคนเขามีความจำเป็นต่างกันนะ ซึ่งเราไม่เคยรู้ปัญหาชีวิตเขาเลยบางดีบางคนอาจจะรีบไปรับลูกรับสามีรับภรรยารับพ่อแม่หรืออะไรก็แล้วแต่มีเยอะมากที่เขาต้องรีบร้อนเขาใช่ไหมในตรงนี้เวลาเขาแซงฟึดไปเนี่ยขอให้เขาปลอดภัยนะ <c oughs> ยากก็ฝึกสิใช่ไม้มฝึกคิดได้เนี่ย ในตรงนี้กรุณาตัวนี้นะอะไรเป็นเหตุใกล้ของกรุณาคิดยังไงกรุณาถึงเกิดเห็นภาวะที่ไร้ที่พึ่งเห็นสภาพของอันอนาตนะอนาอนาตของคนและสัตว์ทั้งหลายที่ถูกทุกข์ครอบงำเห็นคนที่เขากำลังถูกความทุกข์เบียดเบียนบีบคั้นแล้วมันรู้สึกสลดใจเห็นภาวะที่เขาไม่รู้จะไปทางไหน เขาไม่มีที่พึ่งอ่ะมองเห็นไหมพึ่งหลายหลายคนในเวลาเกิดความทุกข์บีบคั้นนะถ้าเราไปตามโรงพยาบาลแล้วก็เห็นยามที่พ่อแม่เขาป่วยหนักๆนี่แต่ละคนหมุนปั่นกันหมดทั้งเมดไหมเราเป็นพยาบาลกันส่วนใหญ่นี่เรารู้ไหมเราก็เห็นกันอยู่ว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆในความไร้ที่พึ่งของหมู่สัตว์เนี่ยเนี่ยกรุณามันเกิดการคิดแบบนี้บ่อยๆบางทีเขามีปัญหาเรื่องค่ารักษา บางคนมีปัญหาเรื่องการเดินทางบางคนมีปัญหาเรื่องอาหารบางคนมีปัญหาเรื่องการจะหาอาหารดีๆกินแลยโอ้ก็ปัญหาก็สรารพัดหมดเลยใช่ไหมล่ะบางคนมาโรงพยาบาลเนี่ยจนขนาดว่าไม่มีแม้จะค่ารถจะกลับเอะไรที่พึ่งกันเลยแล้วมีน้องสาวทํางานอยู่โรงพยาบาลเนี่ยเดี๋ยวเขามาเรียอะไรเรียอะไรญายิญายิญาาตก็บอกว่ า, วามึงลาออกก็จะ ต่ว่ั้งแต่ไปทํางานโรงพยาบาลนจนกันจนไม่ใช่จนแล้ญาติญาติพากันจนหมดเลยก็อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าคิดไม่เป็นแล้วเขบอกวก็ไปคิดใหม่คิดอะไรแบบนี้ก็ไปอยู่โรงพยาบาลต่างจังหวัดไกลๆเนี่ย แ, แล้วก็มีแต่คนโจนเตะไปหมดนี่แล้วก็มาแล้วมาที่ญาติญาติมาก็เลี้ยไล่เลี้ยไล่สารพัด ช่วยผนจนบ้างช่วยค่ารถบ้างช่วยอาหารบ้างซื้อรถเข็นให้บ้างมีที่นอนบ้างโอ้ฉันไปแจกก็สนุกไปเลยครั้งที่ผ่านมาก็สั่งรถเข็นไปแจกสามสิบคันสี่สิบคันแจกอยากยนกักดีนะ <c oughs> แจกเลยเขียด อาจารยก็บอกเออเนี่ยให้อธิษฐานให้ยมแม่อธิษฐานบอกว่าถ้ายังเวีนว่ายตายเกิดในอัตภาพใดคําว่าไม่มีขออย่าให้พบได้เจออีกเลยใช่ไหมละ่ะมันเจ็บปวดแล้วก็คําว่าไม่มีไม่มีมัน <c oughs> คนจนเนี่ยมันไรคําว่าไร้ที่พึ่งไร้จริงเลยเนะียพอมาเอาคนจนๆไปคัดมานะคัดมาสองร้อยคน น, ะนี่นก็หาของแจก ให้โยมให้ญาติพากันเอาหาของไปแจกเขาแล้วฉันก็ให้เขาสมาทานศีลแล้วก็ถึงค่อยแจกแล้วก็บอกขอบใจก็โยมมากเนี่ยที่มาทำทานกุศลก็มาให้เต็มโอ้คนจนแต่มันดีตรงไหนไหมดีที่ทำให้เราได้เจริญกรุ่นน่ะเขาจะดีใจมากเลยที่เขาได้อ่ะแค่ได้ข้าวสารนักถุงได้ เสื้อผ้าได้รองเท้าได้ลูกหูแค่นี้ก็ชื่นใจก็ชื่นใจแล้วนนเนี่ยจนเนี่ยจนจริงจริงเยเนี่ยกรุณูนามเกิดเนี่ยเราคิดว่าเออภาละที่ภาวะที่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยเห็นภาวะที่ไร้ที่พึ่งของหมู่สัตว์ทั้งหลายไม่มีที่พึ่งโดยเฉพาะนะถ้าเรามองเจาะเข้าไปนะถ้าถามว่ายอมเวลาฉันมองฉันจะแสดงธรรมเนี่ย ฉันจะแสดงธรรมด้วยเมตตาหรือด้วยกรุณาหรือด้วยมุทิตาหรือด้วยเบขาเอายอมว่าฉันเหมาะฉันต้องตั้งใจยังไงอฉันตั้งจิตยังไงฉันมาพูดเนี่ยฉันฉันคิดฉันคิดสองประเด็นนะประเด็นแรกเมตตาประเด็นหลักๆจริงๆคือกรุณาฉันเห็นภาวะที่หมูสาสตร์เนี่ยไร้ที่พึ่งก็คือคําว่าไร้ที่พึ่งยังไม่สามารถมีพระ t h a n a ไตรเป็นหลักนําชีวิตได้อย่างแท้จริง แล้วก็จะเห็นว่าในอนาคตเขาจะเจ็บปวดในสังสารวัตรถ้าตราบใดเขายังไม่มีพุทธธรรมสังฆาเป็นหลักในการดําเนินชีวิตเขาเจ็บปวดแน่นอนแล้วทําอย่างไรหนอเนี่ยหมู่สัตว์เนี่ยนะหรือหมู่ประชาสตช์ทั้งหลายจะได้พระราตนาฏัยเป็นหลักดําเนินชีวิตได้อย่างแท้จริงฉะนั้นก็พยายามพูดตลอดว่าพระราตนาฏัยสาคัญที่สุดนะพระราชนาฏัยเนี่ยสำคัญกว่าทรัพย์พระราชนาฏัยเนี่ยสำคัญกว่าวัยวะ พระรัตานาตรัยเนี่ยสำคัญกว่าญาติพระรัตนาตรัยเนี่ยสำคัญกว่าชีวิตย่อมจริงไหมล่ะถามว่าญาติเนี่ยเอทรัพทั้งหลายเป็นที่พึ่งให้กระหมู่สัตว์ได้จริงๆริงไหมเขาเรียกว่าชั่วคราวเท่านั้นเองเขาเรียกเป็นสมบัติชั่วคราวเท่านั้นเองแต่พระรัตนาตรัยเนี่ยเป็นที่พึ่งได้อย่างแท้จริงในหมูสัตว์ในสังสารวัฏได้ถ้าสัตว์ ท่านผู้ใดเนี่ยสามารถมีพระรัชนะใจเป็นหลักดําเนินชีวิตได้ท่านผู้นั้นจะมีสุขติเป็นไปในพรหน้าแล้วจะมีจะนําพากระแสชีวิตในพ้นจากกิเลสและกองทุกได้ยิ่งใหญ่มากใช่ไหมแต่ทรัพย์ก็ดีญาติก็ดีอวัยวะก็ดีแม้ชีวิตก็ดีไม่ยี่ทิพึงสิ่งเหล่านี้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเลยเนี่ยไม่มีสาระที่แน่นอนได้เลยเนี่ยนะเออพอเห็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วก็เห็นโอ้หมู่สัตว์เนี่ยไล ไล้ที่พึ่งกันนะยังไม่สามารถเข้าถึงพระรัตนตรัยได้จริงยกตัวอย่างเช่นนี่บอกว่าเอ้ยยอมมีตถาคตโพธิ์ที่ศัทธาไหมเชื่อมั่นปัญญาตรัสรู้ของพระตะถาคตไหมเพียงแค่นี้ยยอมว่าเอ้ยยังไงเชื่อมั่นพระพุทธเจ้าว่าพระองค์เนี่ยจากมนุษย์เนี่ยแล้วก็พัฒนาพฤติกรรมจิตใจจิตปัญญาพัฒนาศีลสมาธิปัญญ า, น า, น า, ญญาจนสามารถเป็นสัมมาสัมพุทธะได้เชื่อไหมบอกเชื่อ แล้วต่อมาพุทธเจ้าเนีได้ตัดสัุ้ธรรมชาติตัดสัุ้ความจริงก็เอาความจริงเอาธรรมชาติมาเปิดเผยมาบอกกล่าวมาแสดงมาทําให้ง่ายทําให้หมูสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่มีที่พึ่งเนี่ยให้ได้ที่พึ่งโดยการดําเนินตามศีลสมาธิปัญญาทําตนเองให้พ้นจากกิเลสและกองทุกข์ได้เชื่อมั่นตรงนี้ไหมหนึ่งเชื่อมั่นว่าทำไหมเชื่อเชื่อมั่นบุคคลที่สามารถเข้าถึงพระรันาตนตรัยได้จริงไหมเชื่อแล้วเชื่อมั่นตัวเองไหมไม่เชื่อ อย่างนี้แปลว่าสัตว์นั้นยังไม่มีอะไรยังไม่มีที่พึ่งแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งสาตวนั้นมีความเชื่อมั่นว่าเอาละพระรัตนตรัยอุบัติเกิดขึ้นแล้วในโลกพุทธะก็อุบัติเกิดขึ้นแล้วธรรมะก็พระองค์แสดงแล้วสังฆะบุคคลที่เข้าถึงพระรันาตนตรัยเป็นจากพุทุชนเป็นอริยสังฆะมีอยู่จริงเหลือเราเป็นมนุษย์ตอนนี้เรายังไม่สามารถเข้าถึงความเป็นพุทธะยังไม่สามารถเข้าถึงความงามของธรรมะสามระดับ ยังไม่เข้าถึงภาวะจากไม่สามารถยังไม่ออกจากความเป็นบุรุชนก็สู่ความเป็นอายาสังฆะแต่เราจะต้องเข้าถึงและเป็นให้ได้พอมีกําลังใจอย่างนี้ปุ๊บแปลว่าเริ่มได้อะไรได้ที่พึ่งพอมีกําลังใจว่าเราจะต้องฝึกผลพัฒนาตนเองให้เข้าถึงความเป็นอริยสังฆะไหมเป็นหนึ่งในพัฒนาไตรให้ได้พอคิดอย่างนี้เมื่อไหร่ปุ๊บแปลว่าได้อะไรแนละ้วได้ศรัทธาที่เป็นตถาคตบทิศฐานเห็นไหมยอมได้หรือ ย, อยังตรงเนี้ย ได้ตถาคตพอที่ศรัทธาอย่างเชื่อมั่นพระเจ้าไหม <Yeah. S 1> เชื่อมั่นพระธรรมไหม <Yeah. S 1> เชื่อมั่นหมู่ะาริยสงฆ์ว่าท่านพ้นทุกข์ได้จริงไหม <Yeah. S 1> เชื่อมั่นไหมตัวเองจะพ้นทุกข์ให้ได้สักวันหนึ่ง <Yeah. S 1> เอาวันไหน <c oughs> <c oughs> ขอเวลาไปปรึกษาใครก่อนหนึ <c oughs> มีมีการขอเวลาไหมนะถ้าว่าเชื่อมั่นแล้วก็ดําเนิน แล้วก็มีจิตยึดโยงกับพระรัตนตรยนัยลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าจากตถาคตโพธิสัต tha ก็มากลายเป็นสัทธาในพุทธธรรมสังฆะเขาเรียกว่ารัตนะยตสัต t h ก็คือเชื่อมั่นในพระรัตนตรยัยว่าพระรัตนตรัยเป็นหลักในการดําเนินชีวิตจริงๆแล้วก็ถวายอัตภาพแต่พระรัตนตรยัยมีพระรัตนตรัยเป็นหลักดําเนินชีวิตแล้วก็เป็นสิทธิ์ของพุทธธรรมสังฆะ อย่างแท้จริงโอ้ถ้ามีตรงนี้ขึ้นมาอย่างนี้เ็าเรียกว่ายอมได้แล้วได้ตถาคดตัวที่สัทธาแล้วและยอมจะไม่ยอมจะไม่จะไม่ตกไปเจ็บปวดในสังสารวัฏถ้าได้ตรงนี้จริงๆนะเนี่ยมาเห็นตรงนี้แหละว่าเอ๊ะทำอย่างไรเนอะจะทำให้ยอมเนี่ยจากคนไม่มีที่พึ่งให้ได้ที่พึ่งอย่างแท้จริงแต่ก่อนนะยอมเป็นผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ยสังเกตดูนะว่า ตอนเด็กๆยอมก็หวังพึ่งพ่อพึ่งแม่พ่อแม่ก็พากันตายไปพอมาแต่งงานยอมก็หวังพึ่งสามีไงคิดว่าสามีจะนําพาชีวิตให้เขถึงจุดหมายปลายทางเอ๊ไปไปมามันก็ไม่ใช่ที่พึ่งอย่างแท้จริงใช่ไหมละ่ะอ้าวมีลูกก็หวังพึ่งลกูกมีทรัพย์หวังพึ่งทรัพย์เอ๊ะมันไม่ได้เรื่องแล้วเนี่ยมันได้ชั่วคราวแค่ น, นั้นเองอันนียมันของชั่วคราวนี่โอ้จริงๆเพราะเรายังไม่สามารถเข้าถึงพระรัตนะตรได้นี่เอง เนี่ยถ้าหากว่ายอมเข้าใจมุมนี้เมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยยอมจะเริ่มปลุกใจตัวเองว่าโอ้พระัตนตรัประเสริฐสำคัญที่สุด <c oughs> แค่ยอมได้ตรงเนี้ใช่มาโอเคล <c oughs> แล้วแปลว่าจุดกระแสพระัตนไตรตริดติดในใจยมแล้วเนี่ยแปลว่าอามาก็หมดหน้าที่ตัวเองแล้วใช่ไหมยอมก็โลดแล่นไปในสังสารวัฏยอมก็มีที่พึ่งยอมก็ไม่เจ็บปวดในสังสารวัฏ <c oughs> แต่ถ้ายอมยังเข้าไม่ถึงนะยอมก็เจ็บปวดกันต่อไปใช่ไหมนี่เป็นแบบนี้แหละ ใครมั่นใจว่าได้พระาารัตนตรัยยังได้ที่พึ่งเนี่ยโอ้โหน่าชื่นใจมีได้กี่คนเลยที <c oughs> น่าชื่นใจเนะ <c oughs> ข้าใจกรุณาอย่างเดี๋ยนี้เอาต่อไปมุทิตาการุณาใช้ในสถานการณ์ไหนผิดปกติขาลงนะถ้ามุทิตาใช้ในสถานการณ์ไหนเป็นผิดปกติเหป็นกันขาขึ้นก็คือสถานการณ์ที่คนอื่นมีสุขสําเร็จแล้ว เขากําลังก้าวหน้าเดินไปด้วยดีคําลักษณะของมุทิตาก็แปลว่าพรอ ย, ยินดี <c oughs> ถ้าพูดให้ตรงๆเลียกยินดีด้วยเห็นคนเขาประสบความสําเร็จก็ยินดีด้วยไม่ใช่ยินดีด้วยแค่ปากนะใจมันน้อมไปยินดีกับเขาจริงๆยอมเคยยอมเคยไม่ชอบใครสักคนไหมเกิดมานะ แล้วคนนั้นเขาประสบความสำเร็จยอมมีความคิดยังไงไออย่างเงี้ยเขาเรียกไม่มีอะไรไม่มีมุทิตาปไปฝึกฝึกแบบเนี้ยดียอมตอนนี้เขายังอยู่ไหมคนที่เราไม่ชอบอนั่นแหละลองพยายามสืบข่าวเขาหน่อยถ้าเขาประสบความสำเร็จปุ๊บก็โทรโทรศัพท์หาเลย หรือไม่อย่างนั้นก็ถือดอกไม้ไปเลยนะึสแสดงความยินดีด้วยทำได้ไหมถ้าใครประพฤติธรรมมาได้จริงๆจะต้องทำข้อนี้ให้ผ่านจึงจะเรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมถ้ายังเป็นแค่รูปแบบอยู่ไม่ได้ทำอะไรจริงจังเลยยินดีด้วยแต่ในใจ ถ้าไม่มีเจ้าคนนี้ครูประสบความสำเร็จไปแล้วคือลักษณะของมุทิตาก็คือพอยินดีหรือยินดีด้วยเนี่ยชื่นใจดีใจสุขใจที่เห็นคนอื่นประสบความสําเร็จหน้าที่คือไม่ริษยากําจัดความริษยาเพราะไอ้ตัวริษยากับกับมุทิตาเนี่ยมันมั น, ม, นมันตรงข้ามกันถ้ามีลิษยามันก็ ไม่ยินดีคนคนอื่นเครียดเลยทําไปไม่พอใจเลยะเอางี้ให้สังเกตอย่างนี้นะว่าเวลามีคนอื่นเขาไปทําประโยชน์ให้กับคนที่เราเกลียดอ่ะเขาทําประโยชน์ให้กับคนเราตัวเกลียดเราดีใจไหมไม่ดีใจไอคนนี้เราเกลียดมากเลยอะ่ะแล้วสมมติไปไอเนี่ยเป็นพยาบาลไง พวกเราเป็นพยาบาลก็เ ร, ก เ, รกเราก็เกลียดพยาบาลคนนี้มากพอไปเข้าห้องประชุมปุ๊บ พ, พ อ, ออก็ชมไม่ยจนี่อยู่หัวใจเราแทบละลายเลย <c oughs> เราก็เกลียด <c oughs> เคยเป็นไหมแบบนี้ <c oughs> เป็นใช่ไหมวิธีการทำไงก็ต้องพรอยยินดีด้วยกับเขา แล้วจะทำยังไงเราต้องขจัดไอ้ตัวริษยาออกแต่เรามักจะไปคิดเงยไอ้คนนี้มันไม่ดีจริงมันไปเสแสร้งแกล้งทําต่อหน้าเนี่ยพออก็ไม่รู้อะไรบ้าที้ <c ười> คิดเป็นตกเึ็นตาเลยใช่ไหมโดมันได้หน้าบ้านเลย <c ười> เไปเลย จริงๆตรงนี้ต้อ ง, ต, องต้องทำลายต้องทาลายตัวฤๅษยาออกแล้วก็พ อ, อยินดีว่าแล้วจะคิดยังไงทั้งๆที่เราเห็นเขาทำไม่ดีจริงๆจะคิดยังไงแสดงว่าเขาต้องมีกุศลมาดีเขาต้องมีกุศลมาดีมีวิธีการที่ดีเขาจึงได้รับคำยกย่องมันไม่ใช่เหตุปัจจัยเดียวมันมอาศัยเหตุปัจจัยอีกมากมายเนะคนอื่นที่ทาดีเยอะแยะใช่ไหม ทำไมไม่รับการยกย่องแสดงว่าผู้สนนี่ยเท่านี้ไม่ธรรมดานะเนี่ยยินดีด้วย <c oughs> โอ้โหบุญมันสุดยอดเลยบุญมันรอดออกมาได้ไงวะเนี่ยใช่ไหมทําให้คนตามืดตามมวได้ไปยกย่องได้เนี่ยแสดงว่าบุญดีมากเอื่นใช่ไหมบุญเก่าเขาสั่งสมมันก็ดีบุญใหม่ก็ฉลาดในการการทาสุดยอดไปจับมือเ <c oughs> ขาแสดงความยินดีด้วยแหมมันรอดออกมาได้ไงบุญตัวนี้เองไง เ, เขาใจเออะ แสดงว่าโอ้โหมันน่าจะมีบาปให้ผลกับไม่ให้ผลกับบุญให้ผลใช่ไหมล่ะไม่ธรรมดาในคนคนเนี้ยสุดยอดดินดีด้วยเจ้ามือแล้วก็ยินดีด้วยคิดแบบเนี้ยมุติตาก็เกิดแล้วเพราะว่าผลปรากฏก็คือขจัดไงขจัดความเลือดสียความไม่ยินดีความไม่ความทนไม่ได้ต่อความสําเร็จของคนอื่นมันทนไม่ได้ใช่ไหม บางทีเราทนไม่ได้ไม่อยากมองเลยนะไม่อยากมองอยากจะสะบัดหน้าหนีเลยที่เห็นคนอ า, อาการแบบนี้ต้องทำลายทำลายที่ไหนไปทำลายเขาหรือทำลายใจเร า, เาทำลายตัวริสยาทิ้งแล้วก็ดึงมุทิตา ม, มาว่าโหขนาดทำไม่ดีขนาดนี้ยังได้รับการยกย่องกุศลของคุณน้สุดยอดแสดงว่าบุญเก่าก็ดีบุญใหม่ก็ดี วิธีการก็เจ๋งใช้ได้ขอเรียนรู้หน่อยก็ไมเพราะเพราะเราเนี่ยขนาทดทําดีแทบตายเนี่ยหาคนยกย่องสักคนก็ไม่ได้จังไหมแสดงว่าอดีตชาตินี่บาปชัดๆเลยเราเนี่ยจังไหมแล้วทําบุญก็ไม่เป็นไม่มีวิธีการทําทําบุญก็ทําตามความเห็นของตนเองไม่ได้ฉลาดในการทําอะไรเลย ใ้ไม่ได้เลยไม้คนคนนี้ทั้งๆ ท, ที่ในโรงพยาบาลก็พากันเกลียดมันหมด <c oughs> ขอไปเอ้ยพ่อรักมันได้เขาไปเนะี่ยแสดงสุดยอดยิงบุญเข้าไปจับไม้จับมือแสดงมุทิตาด้วยได้ไหมเหมือนน้ำท่วมบ้านเนะี่ยใช่ไหมบ้านอื่นท่วมหมดไอ้บ้านเจ้านี้เสือกไม่ท่วม ทั้งๆอยู่ในแอเรียเดียวกันนั่นแหละมันประหลาดจริงๆนะแล้วพอยินดีเขาไหมไม่อย่างงั้นเนี่ยพาคุาทำยังไงมันท่ว ม, มเหมือนๆกันไม่เปิดน้ําใส่เขาซะนี่ใช่ไหมเราไม่ค่อยพอยินดีเขาจริงเนี่ยใช่ไหมเระจริงๆมันน่าจะโทรศัพท์ไปหาเขาสุดยอดเขาท่วมกันหมดแล้วคุณอยู่ได้เนี่ยแต่ยังบุญคุณดีจริงๆใช่ไหมเมื่อในหมู่บ้านเนี่ยเขาพาจรขึ้น ขโมยบ้านอื่นหมดไอ้บ้านนี้เปิดบ้านมันก็ไม่มีใครขโมยมันบุญเขาดีไหมก็เ น, นี่ยต้องพอ ย, ยินดีกับเขาไหมทําไมไม่ไปเขียนว่าบ้านนี้โดนขโมยหลายครั้งว่างไปบ้านโน้นบ้อ <c> ง <oughs> อย่างเนี้งั้นตรงนี้ก็ต้องรู้จักว่าเนื้อฉลาดในการคิดในการที่จะเจริญมุธทิฏฐให้ได้เข้าใจไหม บางคนไปคิดแหมไม่ได้หลายคนนี้ทำไม่ดีเราจะไปมุทิตากับเขาไม่ได้มันต้องคิดให้มากกว่านั้นใช่ไหมถ้ากุศลเขาไม่ดีจริงไม่มีคนยกย่องเขาแล้วเขาไม่ได้ดีแสดงว่ามันดีแต่มุมนั้นเราไม่เห็นก็คิดให้มันเห็นเราจะได้มุทิตากับเขาพอยินดีกับเขาถ้าคิดอย่างนี้เป็นเนี่ยโอ้สบายเลยทีนี้เวลาไปเห็นคนอื่นเขาสวยกว่ามุทิตาเร็วไหมเร็วเลยแต่นี้ไม่ไม่ได้ ไม่สวยได้ยังไงวะสงสัยเขาตรงเคยไหมเคยสงสัยไหมเรามองไงก็ขี้เหร่ใครไม่คนก็มองว่าสวยได้ไงเคยไหมเคยตั้งข้อสังเกตเขาไหมเนี่ตรงเนี้ยแสดงว่าบุญให้ผลเขาใช่ไหมอย่างน้อยที่สุดก็ทําให้กรรมการที่ตัดสินเน่ะ เขาตัดสินคนคนนี้ได้เขา้าใจยังบางทีเราไปเอามาตรฐานความคิดเราเป็นเกณฑ์ในการตัดสินคนอื่นพอจะเจริญมุธิตาจเจริญยากไหมยากไม่ยากถ้าฟังแบบนี้แล้วยากหรือยัง พวกเรายินดีด้วยอย่างเฮ้ยมสาธุสิเนี่ยเขาเรียกว่ายินดีด้วยอย่างนี้เขาเรียกเป็นอะไรมุทิตาพอยินดีมันนั่งเฉยอยู่ได้แบอย่างนี้เรากลับไปเจริญอเวขาได้ไหมสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเขาให้มุทิตาแบบเนี้ยให้สาธุบ่อยๆเขาใจะเห็นคนเขาทำดีอ่ะเนี่ยพวกเราไม่ค่อยไม่ค่อยฉับเลยเพราะมันเวลาเลยไปแล้วบุญหายไปแล้วไม่ทันแล้ว ต้รีบทาให้ทันสถานการณ์นะเข้าใจยังเดี๋ยวนี้พอเจอเขาได้รับรางวัลได้ไรเปิดไปดูข่าวเร่งต่างสาธุบบ่อยๆใช่ไหมไม่ใช่ดูโอ้ไม่ทำไมลูกเราไม่ได้วะ <c oughs> ไม่มีญาติเราเลยญาติเราไปแข่งไม่ได้ใครก็ไม่รู้มาได้ไงงั้นต้องต้องชิงสถานการณ์ให้ทันในเวลาเจริญกุศลเนีนะ่ยเพราะมันถ้าเลยสถานการณ์ไปมันเจริญไม่ได้แล้วใช่ไหม โอ้โหเสียหายเลยกำลังเรียนมุธิตากันอยู่ขนาดเข้ามาถวายยังไม่นึกไม่ออกสอบตกเลยนี่หรือผู้ปฏิบัติธรรมยังมองเฉยเป็นอุเบกขาเฉยเมยคิดไม่ออกเองฉันก็นั่งนึกนะกเมื่อกี้เนะี่ยจะมีใครสาทุบ้างไหมเนี่ยต้องพากระตุ้นไปแล้วยังคิดออก แห็นว ก, การปฏิบัติธรรมกันเราแปลกหรือเพะเรานึกว่าปฏิบัติธรรมไปนั่งหลับตากันมั้งเนี่ยเราไปเข้าใจแบบนั้นใช่ไหมปฏิบัติธรรมเนี่ยนี่มีเวลาพอป่ะเดี๋ยวต่อไปจะพูดถึงในเรื่องของิดในครอบครัวยอมเวลาอยู่กับครอบในครอบครัวยมปฏิบัติธรรมกันเป็นไหมปฏิบัติยังไงอยู่ในครอบครัว อยู่อยู่ต่อนหน้าลูกยอมเจริญธรรมะข้อไหนเวลาลูกทำผิดเจริญข้อไหนเวลาลูกทำผิดเจริญการุณาเจริญข้อไหนเนาะการุณาอ้าใครลูกทำผิดควรเจริญใครเจริญการุณายกมือขึ้นใครเจริญเมตตา ใครเจริญมุทิตาใครเจริญอุเบกขาเอาไงกันแน่เนี่ยเวลาลูกทําผิดควรเจริญธรรมะข้อไหนเอ่ะใครบอกว่าปรารถนาดีกับเขาใช่ไหมถามนะว่าเมตตากับกรุณานี่เหมือนกันหรือต่างกันต่างกันเลยเมตตาใช้ในสถานการณ์ไหนตอนที่ลูกทําผิดเนี่ย ิสถาการ์ผิดปกติหรือหรือไม่ผิดปกติควรการุณาเขาหรือโอ้สงสารลูกสงสารอ่ะอย่างยกตัวอย่างนะว่าลูกไปทำผิดแล้วต้องโดนตำรวจจับไปเข้าห้องขังถ้าการุณาเขาก็ไปช่วยเหลือเพื่อให้ลูกออกจากห้องขังสรุปแล้วลูกทำผิดควร หรือในกรณีที่ลูกไปชกต่อยคนอื่นเขากลับมาแล้วเราก็กรุณาเขาใช่ไหมลูกเป็นยังไงเจ็บตรงไหนลูกนี้ป่ะหรื อ, อยังไงคนใช้เราคนใช้เมตตากรุณาเมตตารูกเบคขาเดี๋ยวฟังลุเบขาก่อนเดี๋ยวจะได้มาค่อยตัดสินข้อนี้นะแสดงว่าเรายังฟังไม่ครบเนี่ยคำว่าเบขาใช้ในสถานการณ์ไหน ใช้ในสถานการณ์ที่รักษาธรรมะตามความรับผิดชอบต่อกรรมที่เขาก็ทำนะใช้ในสถานการณ์แบบนี้เพื่อจะรักษาอะไรรักษาธรรมะความถูกต้องดีงามตามความรับผิดชอบต่อกรรมที่เขาก็ทํานี่นะใช้ในสถานการณ์นี้ลักษณะของอุเบกขาเป็นไปโดยการเป็นกลางต่อสัตว์ทั้งหลายไม่เลือกที่รักไม่ผักที่ชังไม่ลําเอียงแล้วใช่ไหม ไม่ว่าหน้าอินหน้าพมจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นปู่ตายายยายเป็นลูกเป็นสามีแม้เป็นตัวเรานั้นทุกคนก็ต้องมีกฎเกณฑ์กติกาใช่ไหมเป็นข้อวัดเป็นข้อปฏิบัติมีธรรมะเนี่ยลักษณะแบบเนี้ยลักษณะของเมตตาเป็นไปเป็นกลางในสัตว์ทั้งหลายหน้าที่ของอุเบกขาเป็นยังไงมองเห็นความเสมอภาคกัน ระหว่างลูกชายเรากับลูกชายคนอื่นลูกสาวเรากับลูกสาวคนอื่นตัวเรากับคนอื่นสามีเรากับสามม่ายคนอื่นถ้าสามีเราทําผิดกับสามีคนอื่นทําผิดเสมอกันคำว่าเสมอกันก็คือทุกคนต้องทุกคนต้องรับผิดชอบต่อ ก, กรรมที่เขาทำชัดไหมเนี่ยลักษณะแบบเนี้ยเวขาต้องเป็นแบบนี้ผลปรากฏเป็นยังไง ละ ง, งับความขัดเคืองความเสียใจและความค้อยตามยินดีจะได้ไม่ใช่ไปขัดเคืองสมมุติว่าลูกเราทําผิดแล้วโดนลงโทษขัดเคืองโลูกของศัตรูทําผิดโดนลงโทษดีใจไอ้อย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกใจไม่เป็นกลางนี่ไม่ไม่เสมอภาคนี่ใช่ไหมก็ระ ง, งับความเสียใจที่ลูกโดนลงโทษ หรือระ ง, งับความดีใจคล้อยใจดีใจในขณะที่ลูกคนอื่นถูกลงโทษอะไรก็แล้วแต่เนีไยคือวางใจเป็นกลางได้เนี่ยผลปรากฏเป็นอย่างนี้อะไรเป็นเหตุใกล้จะคิดยังไงที่จะทําให้อุเบกขาเกิดอาจจะคิดยังไงนี่สําคัญมากนะฮะสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมขาดอุเบกขาแต่เป็นสังคมเมตตากรุณามุ่ทิตาก็ไปไม่ถึง สังคมฝรั่งเป็นสังคมที่เอียงไปหาอุเบกขาแรงเกินไปแต่ขาดเมตตากรุณาใช่ไหมแต่สังคมไทยเนี่ยไปไม่ถึงอุเบกขาทุกวันนี้เราพยายามสร้างกฎสร้างระเบียบกติกากันขึ้นมาสร้างกฎหมายขึ้นมาเนี่ยเพื่อต้องการอยากจะพัฒนาให้เราเนี่ยเป็นสังคมแบบตะวันตกเขาต้องการอยู่แบบมีกฎเกณฑ์กติกาเอากฎหมายมาว่ากันพยายามจะเป็นอย่างนั้นเราก็ไปไม่ถึง และยังทิ้งเมตตากรุณาเขาอีกเ ล, เลยเฟ้งเลยตอนเนี้ยตอนนี้สังคมไทยนะเมตตาก็หายกรุณาก็หดมุติตาไม่ต้องพูดถึงแล้วอุเบกขาก็ไปไม่ถึงเขาอีกเละหลุดไปหมดเลยตอนนี้ยแต่ก่อนสังคมเรามันอยู่กันด้วยรักปรารถนาดีเ อ, อื้อทอนกันเมตาน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่าเห็น ไ, ไหมร้อสมัยก่อนมันยังมีคํากรว่าไนงะเสือพีเพราะป่าปกป่ารคเพราะเสือยัง ดินเย็นเพราะหญ้าบางังหญ้ายางเพราะดินดีเคยได้ยินคำนี้ไหมหรือเพิ่งเคยได้ยินเออเนี่ยคำว่าเสือพีเพราะป่าปกแปลว่าอะไรเสือพีเนี่ยแปลเสือมันจะอ้วนท้วนสมบูรณ์ได้เก็ อ, อาศัยป่าอยู่ในป่าใช่ไหมอ้วนมีอาหารการกินป่ารกเพราะเสือยังป่ามันจะอุดมสมบูรณ์รได้สมัยโบราณคนไม่กล้าไปตัดไม้มาลายป่าเพราะกลัวเจ้าป่าคือเสือไม่ใช่ปัจจุบันนี่ก็ละอย่างกัน เสือผีพ่อป่า ป, าปกป่ารกพ่อเสือเยินเย็นดินเย็นเพ่อหญ้าบังดินมันจะมีโอชาได้ทั้งหลายก็ใสต้นไม้ใบหญ้าหญ้ายางพอดินดีต้นไม้ใบห ญ, ญ้าจะเจริญก็า ง, งามได้ก็ต้องใสดินดีเนี่ยเขาอาศัยกันงี้ว่าไอ้น้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่าข่าพึ่งเจ้าบ่าวพึ่งนายใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นก็คือเอื้ อ, อทอนต่อกันและกันเนี่ยลักษณะนี้ก็เรียกสังคมเมตตากรุณา มีเป็นสังคมไทยนะสังคมไทยเป็นแบบนี้แต่สังคมไทยเนี่ยไปไม่ค่อยถึงอุเบกขาพอมีปัญหาขึ้นมาวิ่งเต้นกันวิ่งเต้นกันเออมันก็เป็นสังคมแบบนี้แหละมาเยมาจนทุกวันนี้แหละแต่ตอนเนี้ยเราไม่ชอบใจเราอยากจะไปเป็นสังคมแบบใช้กฎเกณฑ์กติกาใช่ไหมระบบสังคม กฎเกณ์กติกากฎหมายเป็นตัวตั้งกันและเราก็ทิ้งอะไรทิ้งเมตตากรุณาหลุดแล้วตอนเนี้ยเมตตากรุณาอยู่ด้วยกันแล้วหลุดกันหมดแล้วแต่ไปไม่ถึงอุเบกขากติกาก็จะไม่เอาไปแล้วพอเจอกติกาเลยมากๆเดินไปท้วงมันไม่เอาสรุปแล้วตอนนี้เราหลุดทีนี้คิดอย่างไรที่จะทําให้อุเบกขาเกิดขึ้นก่อนเดี๋ยวค่อยมาพูดเดี๋ยวใช้เวลาเยอะ มองเห็นภาวะที่ทุกคนเป็นเจ้าของกรรมของตนต้องมองแบบนี้ต้องคิดแบบนี้ทุกคนเป็นเจ้าของกรรมของตนนะว่าสัตว์ทั้งหลายเนะี่ยจะได้รับสุขก็ดีจะพ้นทุกข์ก็ดีไม่เสื่อมจากสมบัติที่เข้าถึงตามใจชอบได้อย่างไรก็หมายความบอกว่าไอ้เนี่ยสัตว์ทั้งหลายจะเข้าถึงสุขเข้าถึงทุกข์ได้รับดีใจเสียใจตกทุกข์ได้ยากสมหวังผิดหวังอยู่ที่กรรมของสัตว์ที่ทํา ถ้าสัตว์ทํากรรมที่ดีทํากรรมที่เหมาะสมก็สมก็เข้าถึงความสุขความดีความเจริญงอกงามถ้าทํากรรมที่ไม่เหมาะสมก็ต้องรับโทษทันต่อการกระทําตนเองฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้ทํากรรมของตนเองนะอย่างยากตัวอย่างเช่นผู้พิพากษาต้องมีอุเบกขาเป็นประธานฐานวิธีคิดตรงนี้สูงมากเช่นผู้พิพากษาจะตัดสินลงโทษคนที่เข้าไปไปประหารชีวิตเนี่ยคิดยังไงตายเสียได้ก็ดีคิดงนี้ได้ไหม เขาคิดยังไง ร, รู้ไหมถ้าคิดให้ถูกนะไม่ใช่ผู้อิกษาทุกคนจะคิดถูกเสมอไปทำไมเรียนทำไมให้ลึกซึ้งก็ยากที่จะคิดถูกเขาคิดว่าไอ้เจ้ า, น เ, าเนี้ยเขาทําเนี่ยเขาจะได้รับจะสุขทุกขสมหวังผิดหวังจะรับลงโทษหรือไม่ลงโทษมันไม่ใช่แล้วเมื่อเขาทําผิดกฎเกณฑ์กติกาข้อบัญญัติกติกาของสังคมที่ตั้งไว้กติกาของสังคมเขาูกตั้งไว้แบบไหน ว่าถ้าสังคมกติกาที่เป็นไปตามระเบียบกติกาบอกว่าคนคนนี้ทําผิดระดับนี้ติดคุกเดือนหนึ่งทําผิดระดับนี้สองเดือนระดับนี้ห้าปีระดับนี้สิปีระดับนี้ตลอดชีวิตระดับนี้ประหารชีวิตมันไม่ได้เกี่ยวกับเราเป็นผู้ไปตัดสินแต่มันเกี่ยวกับกรรมของเจ้าเนี้ยทาเองเราเป็นเพียงแค่มาอ่านมาทํากฎเกณฑ์กติกาให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์กติกาเท่านั้นเองฉันไม่เกี่ยว เพาฉันก็ปรารถนาดีมีสุขให้ทุกคนอยู่ดีมีสุขกันอยู่แล้วเขาทําของเขาเองฉันเป็นคนชี้แจงว่าโทษขนาดนี้ควรได้รับแค่ไหนอย่างไรตามกฎเกณฑ์กติกาโดยไม่ได้ใส่ความเห็นของตอนเองเข้าไปไม่ได้ใส่ความรู้สึกไปเลยเราก็ยังปรารถนาให้เขามีอยู่ดีมีสุขอยู่ดีแต่ที่เขาทําผิดต้องได้รับโทษเนี่ยก็เพราะกรรมที่เขาทําโทษระดับนี้มันระดับประหารชีวิตระดับนี้ติดคุกตลอดชีวิตระดับนี้ติดคุก ห้สิปีระดับนี้ยี่สปีระดับนี้สิบปีระดับนี้ห้าปีระดับนี้สองปีระดับนี้หนึ่งเดือนระดับนี้แค่ภาคทันเขาเป็นผู้ทําของเขาเองฉันไม่เกี่ยวฉันเป็นคนอ่านกติกาเท่านั้นถ้าอย่างนี้ชัดไหมเราไม่ได้เป็นคนไปชี้ว่าเขาต้องประหารชีวิตหรือไม่ประหารชีวิตแต่กรรมคือการกระทําของเขาที่ผิดกฎเกณฑ์กติกาที่สังคมในหมู่นั้นในคณะนั้นเขาตั้งไว้ต่างหากเป็นผู้เป็นผู้ลงโทษเขา กรรมของเขาเป็นผู้ลงโทษเขาการมองว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเนี่ยมองแบบเนี้เขาทำเองเราไม่ได้ทำางนั้นเวลาลูกทาผิดก็เรียกเขามาลูกเอยลูกไปรักขโมยเขาใช่ไหมไปรักขโมยอะไรนี่เป็นโทษอาญานะลูกเออเป็นโทษอาญาเขาบอกว่าเนี่ยเขาถูกตารวจจับแล้วก็ไปเยี่ยม ฉันกับเธอยังเป็นแม่และลูกกันอยู่นะต่อให้ลูกติดคุกก็ยังเป็นลูกฉันก็ยังเป็นแม่ไม่ได้ตัดขาดกันหรอกแต่เมื่อลูกทําผิดกฎเกณฑ์กติกาอย่างเงี้ยลูกก็ต้องรับผลของการกระทาถ้ารักขนาดนี้ดูกฎหมายกติกาสังคมที่เขาวางไว้อย่างนี้ก็ครั้งแรกเนี่ยเ้าอาจจะติดแค่ห้าเดือนนะลูกนะแม่รู้จักอธิบ ด, ดีคนนั้นคนที้ทไมแม่ไม่วิ่งเต้นให้หนู ไม่ได้หรอกลูกต้องรักษาธรรมะรักษารรกฎเกณฑ์กติกาถ้างั้นสังคมมันจะบิดเบี้ยวไม่เป็นไรลูกอดทนนะถือว่าเป็นบทฝึกเป็นข้อฝึกแม่จะมานมาเยี่ยมบ่อยๆเ <laughs> <c oughs> ขาใา้อย่างแั่เนี้ยไม่ใช่ว่าไม่เป็นไรลูกแม่รู้จักคนเยอะ <c oughs> <laughs> เดี๋ยวแม่จัดการเอง ลูกฉันต้องไม่ติดคุกเด็ดขาดอย่างนี้เสียอะไรเสียอะไรปฏิบัติธรรมมาไหมเสียวเบกขาไงเสียวเวกข า, นะ เ, ว เ, วขาเริ่มเจริญเป็นสรุปแล้วลูกทาผิดควรเจริญธรรมะข้อไหน <c oughs> เฉยอะไรแปลว่าเฉยอะไรมองดูว่าสัตว์ทั้งหลายมีอะไร ก็ไปบอกลูกก็ลูกทําเองนี่แล้วจะมาร้องหาอะไรอะ่ะ <laughs> คุณยิ้ได้ไหมก็ลูกทําผิดก็ยอมรับผิดที่ลูกไม่เป็นไรแล้วอ่ะตอนที่แม่ทําผิดทําไมไม่รไม่รับผิดแล้วคือลูกลูกย้อนงี้ว่างไงตอนนั้นแม่ยังไม่ได้ฟังพระคุณเรื่องอุ้ยขาแต่วันนี้แม่มาฟังแล้วแม่แม่ปฏิบัติธรรมมาเรียบร้อยแล้วกลับไปกลับไปวันนี้ยอมก็ไปบอกนะ บอกลูกบอกสามีบอกใครทุกคนเลยนะว่าตอนนี้ฉันจะปฏิบัติธรรมมาแล้วนะตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปทำได้ไหม <c oughs> ไหวไหมเนี่ยเวขาไหวไม่ไหวนะมองนะถ้าปฏิบัติเวขาไม่ได้ก็พ้นทุกข์ไม่ได้นะอยากพ้นทุกข์ไหมล่ะถ้ายังลำเอียงอยู่พ้นทุกข์ไม่ได้พอใจอยังไม่มี่ทงพ้นทุกข์ได้แต่ไม่ใช่ว่าอะไรก็ใช้เวขาตะบันเลยนะ ใชเช่นเขาหกล้อมโตมไปสัดโลกเป็นไปตามกรรมไอ้เนี้ยอันนี้ก็เรียกว่าขี้เกียจไม่อยากรับผิดชอบไงอะไรก็สัตโลกเป็นไปตามกรรมสัตโลกเป็นไปตามกรรมคนอะไเรื่องอลไรตัวนี้เริ่มมองเห็นนี่ย่งสรุปแล้วตอนนี้เราใช้พรหมิหารเริ่มเป็นนี่ย่งในบรรดาในบรรดาพรหมิหารเหล่าเนี้ย ถ้าถามว่าข้อไหนปฏิบัติยากที่สุดสข้อไหนปฏิบัติยากลองลงมาข้อไหนอ่ะเดี๋ยวข้อไหนปฏิบัติยากที่สุดอ่ะอุเปขายากไหมออปฏิบัติยากลองลงมา มุทิตาน่ยยากสำหรับพวกเราอยู่แล้วใช่ไหมละ่ะ <_ d ata> ก็ขนาดยอมเอาอะไรมาถวายมา่ะสักี้่ยังไม่ยอมมุทิตาเลยนั่งเฉยอยู่เงี้ยใช่ไหมถ้ายอมมองคนว่าว่าฉันน่ยยากทุกข้อเลยท่านชีวิตฉันเนี่ยบงทีเห็นไหมว่าจริงๆเราไม่เคยมามาวิจัยเชิงลึกกัน มันก็เลยไม่สามารถปฏิบัติได้จริงจริงหมเนี่ยเราไม่ได้เคยมาวิจัยเชิงลึกว่าจริงๆสังคมไทยมันขาดตอนนี้หลุดหมดแล้วเมตตากระลุดกรุณาก็หลดดมุทิตาไปไม่ถึงแล้วจะต้องการจะสร้างสังคมกฎเกณฑ์กติกากด ก, ก, ก, การอยู่กันแบบระเบียบกติกาก็ไปไม่ถึงหมดเลยตอนนี้ผมม่หารไปไม่ถึงเลยเป็นสังคมไร้ไ ร, ไร้ที่พึ่งไม่มีสารณะ N: ไม an an ่ม pur ีธรรมังสารนังกชามีเมตตาเป็นธรรมังสารนังกชามีไหมเป็นสารณะไหมเมตตาเป็นธรรมะไหมกรุณามุธิตาเวขาเป็นธรรมะไหมถ้าตราบใดเราไม่ได้ใช้เมตตาให้ถูกต้องตามสถานการณ์เขาเรียกคนไม่มีธรรมะเป็นสารณะถ้าไม่ใช้กรุณายถูกต้องตามสถานการณ์เขาเรียกไม่มีธรรมะเป็นสารณะไม่มีกรุณาไม่ใช้กรุณายถูกต้องตามสถานการณ์ก็ไม่มีธรรมะเป็นสารณะไม่ใช้เมตการุณามุตธอุเวขา ให้ถูกต้องตามสถานการณ์เขาเรียกไม่มีธรรมังสนนังกฉามิสังคมไทยจริงเป็นสังคมที่ขาดสนณะเข้าใจยังขาดเลยนงั้นต่อไปเราบอกว่าพวกเราจะไม่ขาดแม้เจอสถานการณ์ใดๆก็แล้วแต่เราจะมีธรรมังสรนังกฉามิเมื่อมีธรรมังสนนังกฉามิก็ชื่อว่ามีพุทธังสนนังกฉามิและสังขังสนนังกฉามิด้วยข้าพเจามีสนนะเป็นหลักในการดําเนินชีวิตเข้าใจนะเป็นแบบนี้ทีนี้มันมีประเด็นต่อมาเจาะเชิงลึกอีกหน่อย ที่จริงมันเจาะได้ลึกเยอะคนนี้นะมาพยายามอยากจะดูหน้าตาพวกเราพอจะไปถึงไหมมันดูคือมันอย่างนี้เวลาศึกษาพระธรรมเนี่ยมันจะพูดได้ผิวเผินสําหรับบุคคลที่ไปไม่ได้เลยอ่ะเข้าใหญ่แต่ถ้ามีบุคคลอ ย, อยากจะรู้ลึกพระก็จะค่อยๆพาเดินเข้าไปบางคนอนไม่ตามแล้วเวลึกเลยมันเดินเข้าเท่ามาเยอะทำไม เดินเราจะต้องเดินเข้าถ้าจากฝั่งนี้เพื่อทะลุฝั่งนู้นเพื่อความปลอดภัยพอเดินไปไดสักหน่อยเฮ้ยว้าววิ่ไม่เอาเลยขอเดินกลับดีกว่ากลัวหลงไงเนี่ยกลัวหลงหย่อมกลัวหลงไหมเดินตามอีกได้ไหมอ่าเดี๋ยวเจาะลงไปอีกหน่อยกรุณาเนี่ยเฉาะ เ, เมตตาเนี่ยมันจะมีคําว่าสมบัติและวิบัติอะไรเป็นสมบัติ เป็นความเจริญของเมตตาก็คือว่าถ้าตราบใดความคับแค้นใจความขัดเคืองความไม่พอใจมันหายไปได้แสดงว่าเมตตาเจริญเป็นสมบัติสมบัติแปลว่าเจริญขึ้นเจริญขึ้นเมตตาเจริญเรียบร้อยแล้วอะไรเป็นความวิบัติของเมตตาเมตตาก็แปลว่ารักปรารถนาดีเอื้อทอนใช่ไหมอันนั้นนี่ย วิบัติของเขาก็คือว่าแทนที่จะเป็นเมตากลับกลายเป็นตัณหามาแทรกมันใกล้กันไงไอสองตัวเนี่ยรักเนี่ยมันรักแบบเมตากับรักแบบตัณหาถารักแบบเมตามันก็คือให้สละแบ่งปันโดยไม่ต้องหวังผลตอบแทนใช่ไหมแต่ถารักแบบตัณหานี่ไม่ได้มันต้องการที่จะเอาบุคคลที่เรารักมา ต, อ, ตอบสนองมาบำรุงบำรเลออัตตาตัวตนตนเองเนี่ยตัณหาเป็นแบบนี้ ทำไมฉันต้องรักเธอเพราะเธอตอบสนองความต้องการของฉันได้ไงเช่นฉันอยากอาหารดีดๆเธอก็หาอาหารให้ฉันอยากได้เสื้อผ้าเธอก็หาเสื้อผ้าอยากได้รูปได้สเสียงกินรถทั้งหลายเนี่ยเธอตอบสนองฉันเนี่ยฉันจึงรักเธอไอร้รักลักษณะนี้มันเป็นตัณหาถ้าเป็นรักแบบนี้เช่นกำลังแผ่ไม่ตีจิตไปแผ่ไปแผ่ไปแล้วเกิดไปรักต้องการอยากจะได้บุคคลนั้นมาตอบสนองความต้องการของตนเองความรักแบบนี้เลยกลายเป็น ตัณหามาแทรกแทนเมตตาเลยกลายเป็นวิบัติไปเล ย, เ, ลยเสียหายเลยหายไปจากใจเลยอะไรมาแทนที่ตัณหามาแทนที่แทนที่จะเจริญเมตตาก็กลายเป็นจเจริญตัณหามองอ อ, อย่างนั้นจึงบอกเบื้องต้นจริงๆเขาจึงว่าห้ามเจริญเมตตาให้กับบุคคลที่เป็นเพศตรงข้ามต้องระวังนะคนละเพศกันเนี่ยจเจริญไปจเจริญมาจเจริญไปจเจริญมามันกลายเป็นตัณหามันเกาะติดกัน ก็ต้องเจริญบุคคลที่เราเคารพเลยนะถือไปก่อนเนี้ยนี่เป็นต้นทีนี้อีกจุดหนึ่งคือการุณาการุณาเนี่ยจะเจริญได้สมบัติของการุณาก็คือกําจัดวิหิงสาได้ความคิดเบียดเบียนเนี่ยคิดเบียดเบียนคิดประทุษร้ายเขาเป็นต้นเหล่านี้นะวิบัติของการุณาคือความเศร้าโศกยกตัวอย่างเช่นแม่ป่วย แล้วเราก็กรุณาแม่ทีนี้ในขณะที่ไปช่วยเหลือเนี่ยช่วยยังไงอาการของแม่ก็ุดลงุดลงอะไรตามมาเศร้าโศกโทมนัตไอโทมานัตที่เกิดขึ้นแปลว่าอะไรหายไปแล้วกรุณาวิบัติไปแล้ววิบัติแปลว่ากรุณาเสียไปแล้วเห็นไหมทีนี้จะคิดยังไงที่จะทําให้กรุณาอยู่ในขณะที่เราสงสารแม่สงสารพ่อสงสารบุคคลที่เราช่วยเหลือกรุณาเขา มันต้องคิดยังไงอา้าในขณะที่เราการุณาช่วยเต็มที่แต่อาการของคุณแม่คุณพ่อปู่ตายายๆุดลงสุดลงสุดล ง, ดล ง, ดลงตอนนั้นน่ะถ้าการุณาแท้จะเป็นยังไงจิตใจจะเป็นยังไงจิตใจจะโปร่งไหมโปร่งได้ยังไงอะคนที่เรารักกำลังจะตายไปต่อหน้าต่อตาโปร่งได้ยังไงตอนนั้นน่ะไปคิดถึงกรุณาของตอนเองที่ตนเองขวนขวายเต็มที่ คื่นใจตรงที่ตนเองทุ่มเทเต็มที่เต็มศักยภาพเต็มความสามารถเห็นกรุณาในกระแสชีวิตของตนเองที่มันเจริญรุ่งเรืองมันมองตรงนั้นมันชื่นใจพอชื่นใจจากการุณาตรงนั้นเบเสร็จปุ๊บมันสลับหน้าเป็นคําว่าสลับก็คือว่าไปใช้อุบเบกขามากํากับแทนในการดูแม่ว่าสัตบโลกเป็นไปตามกรรมแล้วก็นึกถึงตนเองแล้วเนี่ยที่เราได้ขวนขวายทุ่มเ ท, ทมเต็มที่แล้วไอกรุณาในตนมันไม่หายไป มันเห็นในตัวกระแสของคุณธรรมกับกรุนาในตนเนี่ยมันจเจริญรุ่งเรืองตลอดใช่ไหมตอนเองทำเต็มที่ทำวันเวลาแต่ละวันให้ผ่านไปโดยไม่ให้เสียประโยชน์เลยทุ่มเทเต็มที่เลยนะามาไปเจอโยมคนหนึ่ง เ, เป็นมะเร็งอนี้ภรรยาก็ดูแลอย่างดีเลยทีแรกก็นึกว่าจะเอาอยู่หนัข้าก็ไม่อยู่โอเอาทั้งหมอทั้งยาจากในต่างประเทศ เดีนี้อาการก็แย่นางเ้าก็โดนเจาะค อ, อนีแท่งก็ไปเยี่ยมน้งก็ยอมเขาก็อยู่ในสถานการณ์ที่ยําแย่กันเป็นแถวเป็นแนวมาจิตใจเครียดเต็มฉันก็เลยบอกว่าเออยอมเนี่ยวาระเนี่ยยมควรทํำยังไงยอมดูที่ว่าโยอมดูแลสามีมาเนี่ยเต็มที่หรือยังอะไรที่อยากจะทําให้ทําให้เต็มที่ และในขณะเดียวกันก็บอกฝ่ายที่เป็นสามีว่ายมอยากจะบอกอะไรแกภรรยาแกลูกยอมบันทึกเลยทุกวันให้คิดตลอดเวลาวันนี้คือวันสุดท้ายของเราถ้าเนี้ยไม่แต่พวกเราเนี้ยถ้าคิดอีกนี้ได้เรายอมมันอกีคิดเคยคิดไหมว่าวันนี้คือวันสุดท้ายของเราเนี่ยเราจะพูดกับสามียังไงจะพูดกับลูกยังไงพูดกับพ่อแม่บูชา ย, ยา ย, ย, ายพูดกับเพื่อนที่เรารู้จักยังไง เราจะปฏิบัติต่อเขาอย่างไรถ้าคิดจริงนี่จริงๆนะเราจะทำดีที่สุดใช่ไหมเราจะไม่ให้บกพร่องเลยแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยเราจะไม่ให้เสียหายเลยนะเราจะทำอย่างเต็มที่เต็มศักยภาพเต็มความสามารถอย่างแท้จริงนี่นก็บอกเลยนะเออนี่แล้วก็ให็นึกว่าจริงๆแล้วในขณะที่เราทำให้เต็มที่อะไรที่เรายังไม่เคยทำให้การทำแม้ทุกวันเนี่ยยอมลองไปทาดี แล้วมันจะประทับใจเป็นการชีวิตของแต่ละบุคคลเนี่ยยอมเป็นประวัติศาสตร์นะทั้งดีและไม่ดียอมเคยอยากจะลึกประวัติศาสตร์ดีๆประทับไว้ในความารู้สึกของตัวเองเ ย, ยอมทำยังทำทันทีนะอย่าไปรอวันเวลาทําทันทีอะไรที่เป็นสิ่งดีงามทั้งหลายทําให้เกิดกันอะไรที่มันเป็นความทุกข์ความเครียดความกัดกุบอะถอดทิ้งเหยหมด แค่นั้นไอตัวกรุณาเนี่ยมันจะมีวิบัติของมันอยู่ก็คือ ค, อความเศร้าโศกเราช่วยเขาไปด้วยเศร้าโศกไปด้วยขวนขวายยัให้คนอื่นพ้นจากความทุกข์ด้วยใจเราก็เป็นทุกข์ด้วยใจเดือดร้อนด้วยกรณีอย่างนี้เขาเรียกกรุณาเทียมไม่ใช่กรุณาแท้ไปช่วยลูกช่วยใครทั้งหลายเน่ยเขากําลังประสบปัญหาชีวิตแต่เราก็เครียดเราก็กลุ่มเราก็ทุกข์เนี่ยอย่างเนี้ยไม่ใช่กรุณาแท้เป็นกรุณาเทียมเป็นธอมนัทกิน น, นี่เสียหายเป็นความวิบัติของกรุณาถ้ากรุณามันต้องสามารถสงบระงับความคิดเบียดเบียนก็ได้ด้วยจิตใจต้องโปร่งโล่งเบาด้วยใช่ไหมกรุณามันจะต้องมีปัญญาเป็นบุเราจาริกษีปัญญานําหน้าสิหนึ่งที่เป็นต้นอภิการต่อมาก็คือมุทิตามุทิตาเนี่ยสมบัติความเจริญของมุทิตาก็คือสงบหายไร้ความริษยาไอ้ความริษยาหายเกลี้ยงเลยเนี่ยไอ้ความคิด ลิศยาคนอื่นมันหายแล้วอะไรเราเป็นวิบัติของมุทิตาความสนุกสนานแต่ความส น, ส น, นุก ส, สนานนี่คืออะไรไอ้คำว่าพอยินดีมันแทนที่จะเป็นกุศลแต่มันกลายเป็นสนุกสนานลื่นเลงไปเลยเพิดเพลินกลยเป็นมอ้าวงานมุทิตาสากาละ ไม่ใช่มุทิตาจริงแล้วมุทิตาสนุกสนานเพลินไปเลยเขเห็นไมอันนี้เป็นความวิบัติของมุทิตาเลยนะนี่ยเวลากเกษียณอายุนี่เขามีงานมุทิตากันมั้ยมุทิตาเกี่ยวกับอะไรยินดีด้วยที่เธอหมดอำนาจใช่ไหม <laughs> กเกษียณ น, นี่แปลว่าสิ้นเนี่ยแปลว่าหมดใช่ไหม เกษียณสับนิ่งไปว่าสิ้นไปว่าหมดหมดอำนาจแล้วหมดหน้าที่แล้วหมดหน้าที่ที่เราทําตรงนั้นแล้วเราก็เลยไปแสดงความยินดีด้วยใช่ไหม ย, ยินดีด้วยที่เธอจะได้เงินเดือนน้อยลงยินดีด้วยต่อไปเธอจะได้ไม่มีอำนาจหน้าที่ในการสั่งการสั่งการยินดีด้วยที่จะไม่ค่อยมีคนเคารพนับถืออย่างงี้ทำถูกไหย <laughs> แฝดดี เขาอาจจะอย่างนี้ก็ได้นะคิดอีกมุมหนึ่งยินดีด้วยที่จะได้พักหน้าที่นั้นแต่จริงๆคนนั้นเขาอยากพักจริงรึเป่าอยากพักนะไม่อยากมีอำนาจเลยอ๋ออยากพักนะ <c oughs> จริงๆก็ต้องมองให้ออกว่าบางทีคำว่ามุทิตานี่ยคำว่าพรอ ย, ยินดีเนี่ยใช่หมสมมติคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีหมดหน้าที่ แสแดงมัทิตากันทั้งประเทศนี่ยุ่งไหอย่างนี้ยุ่งไหมจัดมติตาสการแล้วเออแปลกนะไอ้สังคมสังคมไทยเราบางทีมันใช้ใช้ผิดหรือเปล่าแต่ก็เอาและมอใช้ก็ก็คือจะได้พักผ่อนนะมองมุมนี้ก็จะสบายต่อไปจะได้ทำสิ่งที่เป็นกุศลอะไรก็ว่ากันไปเอาต่อไปอุเบกขา อุเบกขาก็คือว่าอะไรเป็นสมบัติของอุเบกขาก็คือสงบหายก็คือไม่มีความยินดียินร้ายบางทีเราสามารถระ ง, งับความยินดียินร้ายได้เช่นไปยินจะยินดีต่อบุคคลที่เราบุคคลที่เราไม่ชอบแล้วเขาเขาประสบวิบัติประสบความทุกข์ความเดือดร้อนเราก็ไม่ระ ง, งับความยินดี หรือไม่พอใจกับลูกหลานของเราที่ทมผิดแล้วได้รับโทษเนี่ยความรู้สึกตรงนี้ระ ง, งับหายไปได้เพราะมีใจเป็นกลางวิบัติของอุเบกขาก็คือการเฉยแบบเฉยมเฉยมยอะเฉยแบบไม่รู้เรื่องเพราะว่าอุเบกขาจริงๆมันต้องเฉยรู้เรื่องเฉยได้ความฉลาดเฉยได้ปัญญาเข้าไปรู้โลกและชีวิตตามความเป็นจริงด้วยใช่ไหมทีนี้ถ้ามองค่าสึกละ่ะ เมตตามีราคาเป็นค่าสึกใกล้มันใกล้กันเลยนะความกำหนัดความยินดีทั้งหลายเหล่านี้ยกับเมตตาเนี่ ย, ม, ยมันใกล้กัใกล้คิดกันมากแล้วอะไรเป็นค่าสึกเป็นศัตรูไกลพยาบาทไงนะความขัดเคืองความขัดเคืองกับเมตตามันเคอะคั่วกันเลยนะมันอยู่ไกลกันมากถ้าเมตตาเกิดขึ้นโทสะหายไหมความโกรธความหงุดหงิดหายถ้าความโกรธความโทสะความหงุดเกิดขึ้นเมตตาหายไหมเมตาก็หายฉะนั้นเวลาเจริญเมตตาเนี่ยมันจะ ขจัดความหงุดหงิดคนขี้โกรธทั้งหลายเขาต้องสอนให้เจริญเลยเจริญเมตตาพวกเราเป็นคนหงุดหงิดง่ายไหมหงุดหงิดง่ายไหมง่ายใช่ไหมคนนี้เคยคนคนนี้เคยเคยเบียดเบียนเราเคยประทุศสลายเราเขาเคยทำความเสียหายให้กับเราโกรธไหมถ้าเห็นถ้านึกอย่างนี้ไอ้คนนี้เคยทำความเสียหายให้กับเราโกรธไหมคนนี้กำลังทำความเสียหายหกับเราโกรธไหม คนนี้จ ja. ักทำความเสียหายกับเรากดธไม่กดคนนี้เคยทำความเสียหายให้กับคนที่เรารักกดไหมกำลังทำความเสียหายให้กับคนที่เรารักจักทำความเสียหายให้กับคนที่เรารักโกรธก็มีเรื่องหลายกดเยอะเยคนนี้เคยทำประโยชน์เคยทาประโยชน์ให้กับคนที่เราเกลียดกรมไหยกำลังทำประโยชน์ให้กับคนที่เราเกลียด เขาจะทำเขาจะทาประโยชน์ให้กับคนที่เราเกลียดเกลดอีกเหมือนกันเกลีหมดเลยเอาแอร์ไม่ติดโกยดไหมฝนตกเห็นไหมพวกขี้โกรธทั้งหลายเนี่ยแค่กลับเข้าบ้านแค่เก้าอี้ที่ เขาวางผิดที่ปิดทางกันนโกโรธเดินไปเดินมากระถถนกอดใค ร, รใครวางกระถนไม่ถูกที่ถูกทางนี้ทนคนขี้กอดเขาบอกใบไม้ร่วงเอยฝนตกฟ้าร้องมันกอดหมดแล้วงุดหงิดหมดมันตื่นขึ้นมามันตั้งท่ากอดแล้วตั้งท่างุ่หงิดแล้ว เคยเป็นขนาดนั้นไหมนี่เรียกอาการหนักแล้วในการหนักสรุปตรงนี้ก็คือว่าเมตตานะลักษณะของเมตตาก็ดังที่ได้กล่าวบอกว่ารักเอาใจใส่เขาท่านอุปมาเหมือนการคนที่มีเมตตาเนี่ยก็เหมือนกับแม่ที่เอาใ่ใส่ถนอมถนอมเลี้ยงลูกให้เจริญเติบโตรักรักเอื้อทอน มีใจเมตตากับคนทุกคนเหมือนเหมือนแม่เอื้ออาทรต่อลูกกรุณาก็เหมือนแม่เหมือนกันเวลาลูกเจ็บป่วยก็เกิดความมีทุกข์ทอเกิดขึ้นก็ห่วงต้องการที่จะแก้ไขเป็นลักษณะแบบนี้เวลาลูกเจริญเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วเนี่ยแม่ก็พลอยปราบเพื่มยินดีที่เห็นลูกเจริญเติบโตลุ่งเรือง แลในขณะเดียวกันเมื่อลูกต้องรับผิดชอบกิจการงานของตนเองขวนขวายทำหน้าที่ทั้งหลายแม่ก็วางใจนิ่งสงบเป็นกลางวางเฉยดูอยู่ลักษณะอย่างนี้เ็าเรียกเป็นอุเบกขาก็เลยอุปมาลักษณะแบบนั้นพอจะโอเคยังพรหมวิหารที่พรหมวิหารเนี่ยเป็นธรรมะที่ควรกํากับไว้กับใจแต่จะต้องมีหลักธรรมะอีกชุดหนึ่งในการมาเป็นฐานรองรับในการปฏิบัติ เดี๋ยวเราจะมีเบรกช่วงนี้หน่อยแล้วก็เดี๋ยวให้กลับมาถามปัญหากันนะให้คนทุกคนเตรียมหาปัญหามามานั่งถามปัญหามีใครสงสัยบ้างไหมพรหมวิหารงั้นเดี๋ยวไปพักกันก่อนสักยี่สิบนาทีเนาะแล้วก็ได้กลับมาถกประเด็นนี้กันแล้วว่าเราจะเอาไปใช้ในชีวิตจริงและปฏิบัติกันได้ยังไง